การที่พวกเรามาที่วัดกันเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันนี้เป็นไปเพื่อการหาความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรความสุขที่เป็นของเราไปตลอดไม่มีใครหรืออะไร ที่จะสามารถมาแย่งความสุขอันนี้ไปได้พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้พบความสุขกันดีแล้วท่านจึงได้นำเอามาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้พบความสุขที่แท้จริงอันนี้อย่างพวกเราตอนนี้พวกเรา จะอยู่กับความสุขปลอมกันคือความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราวเราจึงต้องคอยเติมความสุขอยู่เรื่อยๆเช่นเราต้องไปหาลาบหายดหายสรรเสริญหาลูกเสียงกิริลดโพธพปะมาเซพอยู่เรื่อยๆ เวลาใดที่เราไม่ได้เสพราบยศสนรสนไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะังเราก็จะมีความไม่สบายใจมีความว้าเหวมีความเศร้าส้อยหงอยเหงาเพราะว่าความสุขแบบนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมนั่นเอง ไม่เหมือนกับความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้พบได้มาครอบครองกันเพราะว่าไม่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อ ย, เ, อยเมื่อเติมเต็มแล้วเพียงครั้งเดียวก็ไม่ต้องเติมอีกต่อไปถ้าเป็นถังน้ำมันรถพอเติมน้ำมันรถเต็มถังแล้วก็ไม่ต้องเติมอีกต่อไปขับไป กี่กิโลน้ำมันก็ไม่มีวันหมดนี่คือความสุขของพระพุทธเจ้าความสุขของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเป็นอากาลิโกคือไม่มีวันหมดไปกับการกับเวลามีครบถ้วนบริบูรณ์อยู่ตลอดเวลาท่านจึงไม่ต้องไปคอยหาความสุข มาเพิ่มมาเติมอยู่เรื่อยๆนั่นเองแต่เวลาที่เริ่มปฏิบัติเวลาที่เริ่มเติมความสุขที่แท้จริงนี้ก็ยังต้องปฏิบัติต้องเติมไปเรื่อยๆก่อนไปจนกว่าจะเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจเป็นปรมังสุขรังเมื่อได้ปรมังสุขขังแล้ว ก็ไม่ต้องเติมอีกต่อไปนี่แหละคือความวิเศษของความสุขที่พวกเราจะได้รับกันจากการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและนาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติอย่างดีอย่างชอบที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติตรง ป, ปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ดับกิเลสตัณหาที่คอยมาทำลายความสุขทำให้ความสุขที่ได้เป็นความสุขปลอมไป แต่ถ้าไม่มีกิเลสตัณหาแล้วความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความสุขที่ถาวรแต่ความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมในเบื้องตน้นยังเป็นความสุขที่คล่องคองได้หดได้หายได้เพราะตัวที่ทำให้คล่องตัวที่ทาให้หดนั้นยังไม่ได้ถูกคำจัด นั่นก็คือกิเลสตัณหาแต่พอได้กาจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจแล้วความสุขที่ได้จากการปฏิบัติก็จะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีหดไม่มีหายเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติอีกต่อไป ท่านจึงพูดว่าวุสิตัง ร, รมจาได้ยังกิจในพรหมจรนย์นี้ได้เสร็จสิ้นแล้วกิจกรรมเพื่อเติมความสุขที่แท้ จ, จริงให้แก่จิตใ จ, จนี้ได้สําเร็จบริบูรณ์แล้วจิตใ จ, จเป็นปรมังสุขขังแล้วไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเติมความสุขอีกต่อไปไม่มีความจําเป็นที่จะจ้องเจริญสัพะะพะทัพภาวนา จเจริญวิปัสนาภาวนาอีกต่อไปเพราะว่าการปฏิบัติได้กำจัดกิเลสตัณหาซึ่งเป็นเหมือนตัวที่จะมาคอยดูดคอยทำลายความสุขที่ได้จากการจเจริญสมถภาวนาด้วยการจเจริญวิปัสนาภาวนา เพราะวิปัสสนาภาวนาเท่านั้นที่จะสามารถทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้สมถภาวนาทำได้เพียงแต่หยุดกิเลสตัณหาไม่ให้ทำงานชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิออกจากความสงบมากิเลสตัณหาก็จะออกมาทำงานมาดูด มาดึงมาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบไปแต่ถ้ามีวิปัสสนาภาวนามาคอยกำจัดกิเลสตัณหาที่จะมาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบ พ, พอไม่มีกิเลสตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในใจความสุขที่ได้จากสมถาภาวนา ก็จะเป็นความสุขที่ถาวรเรียกว่าปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ปฏิบัติเพื่อการตัดกิเลสตัณหาการปฏิบัติของพวกเราเป้าหมายอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่การทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้เราได้มีอิทธิฤทธิปาฏิหาร มีความเิ่นการในการเห็นสิ่งนั้นหรือเห็นสิ่งนี้หรือในความสามารถพิเศษต่างๆที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถทำได้เราปฏิบัติเพื่อทำลายกิเลสตัณหาตัวที่จะมาคอยทำลายความสุขที่แท้จริงนี้ เ, เ, รเรียกว่า การปฏิบัติที่ถูกต้องสามีจิตปฏิปันโนคือเป็นการปฏิบัติ4ลักษณะคือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อดับกิเลสตัณหาปฏิบัติที่ถูกต้อง ถ้าได้มีการปฏิบัติสี่ลักษณะนี้แล้วผลคือมรรคสี่ผลสี่นี้ผ่านหนึ่งก็จะปรากฏขึ้นมาผลสี่นี้ก็เป็นความสุขในระดับต่างๆาสุขจากน้อยไปหามากสุขจากระดับพระโสดาบันขึ้นไปเสือระดับพระสกิดาคามีพระอนาคามี และพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ก็จะเป็นความสุขเต็มที่เต็มเปีเป่ยมพระอาาราานาคามิก็น้อยลงมาพระสกิรดาคามิก็ร้อยน้อยลงมาพระโสดาบันก็น้อยลงมาเป็นระดับแรกน่เป็นระดับที่ไม่เสื่อมแล้วได้ความสุขระดับพระโสดาบันก็จะไม่เสื่อมไม่หายไป พะเป็นความสุขที่ได้รับจากการทำลายกิเลสตัณหาในระดับพระโสดาบันนั่นเองในระดับพระสกิดาคามีที่มีมากกว่าของพระโสดาบันก็จะไม่เสื่อมไม่หายไปไม่ลดน้อยถอยลงไปในระดับของพระอนาคามีก็จะสูงกว่าพระสกิดาคามี แล้วก็จะไม่ลดไม่น้อยลงไปพอขึ้นถึงระดับพระอารหันตะ์ก็ได้ความสุขเต็มเปลี่ยมภายในหัวใจและไม่มีวันหมดพอได้ระดับของพระอารหันต์แล้วความสุขคือปรมังสุขขังคือความสุขเต็มเปลี่ยมภายในหัวใจก็จะมีอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุด อย่างวันนี้ความสุขของพระพุทธเจ้าและความสุขของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่ท่านได้รับในวันที่ท่านได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันจนถึงวันนี้ความสุขนั้นก็ยังมีอยู่เท่าเดิมไม่มีไม่ต้องมีการปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเพื่อมาคอยเติมอยู่เรื่อยๆ นี่และคืองานทางทำทำแล้วจะมีวันเสร็จสิ้นไม่เหมือนกับงานทางโลกหรือความสุขทางโลกที่หามาได้มากน้อยเพียงไรก็ต้องคอยหาไปอยู่เรื่อยๆเพราะความไม่พอยังมีปรากฏให้ใจอยู่เรื่อยๆเวลามีความไม่พอ ก็คือมีเวลามีความอยากนั่นเองได้ความสุขระดับไหนก็ไม่พอต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้ความสุขระดับแสนก็ไม่พอต้องได้อยากได้ความสุขระดับล้านจากระดับล้านก็อยากจะไประดับสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านไปเรื่อยๆ จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตคือวันตายพอตายแล้วความอยากที่จะได้ความสุขก็ยังมีอยู่ก็จะดิ้นไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ไปเกิดเพื่อที่จะได้ไปหาความสุขใหม่แต่เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่อยู่ภายใต้กฎอ น, นิจจง ทุกขังอนัตตาเป็นความสุขที่มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมหมดไปพอหมดไปก็ต้องหามาเติมใหม่ทำอย่างนี้มาอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้า พวกเราก็ยังจะหาความสุขแบบเก่าต่อไปคือความสุขทางลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมกูกรินกายแต่พบนี้ชาตินี้เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นโชคที่พวกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้มาพบกับภาษาวอกของพระพุทธเจ้าที่รู้จักวิธีหาความสุขที่แท้จริงแล้วก็นำเอาวิธีนี้มาเผยแร่มาสั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเรามีบุญเก่าอยู่ในใจทำให้เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดความสนใจ ที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเช่นพวกเราเข้าหาพระธรรมคำสอนอยู่เรื่อยๆอย่างคณะของคุณบุกนี้ก็มีสัจจะอธิษฐาน ที่จะเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมกันเป็นกิจจลักษณะอยู่อย่างน้อยก็เดินว่าหนึ่งครั้งและได้ทำมาเป็นเวลาเกือบสิบปีแล้วนี่ก็เป็นพาะว่ามีศรัทธามีความเชื่อมีฉันทะวิริยะคือมีความยินดีมีความพอใจมีความขยันหมั่นเพียร ที่จะบากบันมาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นําเอาธรรมะที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติตามกําลังของแต่ละตนแต่ละคนที่จะทํากันบางคนก็ทําได้มากบางคนก็ทําได้น้อยเพราะว่าเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกมาไม่พร้อมกัน ต้นไหนที่ปลูกมาก่อนต้นนั้นก็จ ะ, จะเจริญโตกว่าต้นอื่นต้นที่ปลูกทีหลังก็จะเล็กกว่าต้นที่ปลูกก่อนฉันใดความสามารถในการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของแต่ละท่านนี้ก็มีความแตกต่างกันเนื่องจาก การได้ศึกษาได้ปฏิบัติมานี้เริ่มต้นไม่พร้อมกันในแต่ละพบแต่ละชาติในอดีตนี้พวกเราอาจจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติทํากันมาอยู่มากบ้างน้อยบ้างพอมาถึงชาตินี้พอพวกเราได้มาพบกับพระธรรมคาสอนที่มากระตุ้นความจําเก่าของพวกเรา มาดึงความสนใจเก่าที่พวกเราเคยมีให้ต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติธรรมพวกเราก็เริ่มให้ความสาคัญต่อการศึกษาและการปฏิบัติและปฏิบัติกันไปตามกำลังของแต่ละคนถ้าเคยทำมามากแล้วก็จะทำได้มากขึ้นกว่าเดิม คนที่ทำน้อยก็จะทำได้ไม่เท่าผู้ที่ได้ทำมามากแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องของบุตพกรรมอของอดีตกรรมคือกรรมเก่าหรือบุญเก่าที่เราได้ทำกันมาถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็เหมือนกับเวลาที่เราย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานจากจังหวัดหนึ่ง ไปสู่เอกจักรวันหนึ่งเราเคยเรียนหนังสืออยู่ชั้นไหนเราก็ไปเรียนต่อจากชั้นที่เราเรียนอยู่เราไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นที่ชั้นป .1 ใหม่นอกจากว่าไปเรียนวิชาที่ไม่เคยเรียนมาก่อนอย่างเรานี่ต้องเรียนป .1 ถึง3ครั้งอครั้งเรกเรียนป .1 เป็นภาษาไทย พอครั้งที่สองเปลี่ยนโรงเรียนไปเรียนโรงเรียนจีนก็ต้องไปเรียนปหนึ่งใหม่พอเรียนปพอเรียนถึงปสาเปลี่ยนโรงเรียนอีกไปเรียนโรงเรียนนานาชาติไปเรียนภาษาอังกฤษก็ต้องไปเรียนปหนใหม่อันนี้แต่เรื่องของธรรมะนี้ไม่ต้องย้อนกลับไปเรียนใหม่ถ้าเรียนจบปสาแล้ว ชานี้มาเกิดก็เรียนป .4 ต่อได้ป .5 ป .6 ไปไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ไม่เหมือนกับการเรียนทางโลกชาติตอนก่อนอาจจะได้จบปริญญาเอกแต่พอชาตินี้กลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาเริ่มต้นที่ชั้นอนุบาลใหม่ชั้นป .1 ใหม่แต่เด็กบางคนที่เราเรียกว่าเด็กอัจฉริยะเนี่ เขาเรียนได้เร็วเพราะว่าในอดีตเขาเคยได้ระดับปริญญาเอกแล้วพอเขามาเกิดในชาตินี้พอเขาเรียนหนังสือภายในยุคสิบขวบนี้เขาก็จบปริญญาได้นั่นเป็นเพราะว่าความรู้ที่เขาได้เรียนมาหรือว่าความสามารถที่จะเรียนรู้นี้ติดมากับจิตใจของเขาพอเขามาเรียน เขาก็สามารถที่จะใช้ความสามารถในการศึกษาในการร่ำเรียนของเขานี่มาเรียนความรู้ใหม่นี้ได้อย่างรวดเร็วเราจรึงเรียกเด็กพวกนี้ว่าเด็กอัจฉริยะทางธรรมก็แบบเดียวกันอย่างพระพุทธเจ้านี้ก็ต้องถือว่าเป็นเด็กอัจฉริยะที่สามารถที่จะตัดสู้ได้ภายในเวลาหกปีโดยที่ไม่มีใครสั่งสอน แต่พวกสาวกนี่ก็มีความแตกต่างกันบางคนก็เจ็ดวันบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีแต่ต้องมีคนสอนถึงจะทำได้แต่ถ้าไม่มีคนสอนนี่เองเจ็ดกลับก็ทำไม่ได้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนก่อน พระพุทธเจ้าจึงเป็นอัริยบุคคลเพราะว่าไม่มีใครสั่งใครสอนพระองค์พระองค์สามารถตัดสรู้ได้ภายในเวลา6ปีถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาเท่านั้นอย่างพวกเรานี้ถึงแม้มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏแล้วเจ็ดปีผ่านไปนะ้ะก็ยังไม่สำเร็จ ก็แสดงว่าค่อนข้างที่จะอับวาสนาอับปัญญาดังนั้นต้องรีบสร้างปัญญาขึ้นมาสร้างสันสร้างฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาขึ้นมาฉันทะก็คือความยินดีวิริยะก็คือความอุดสาหะผภาเปลี่ยนจิตตะก็คือความแน่วแน่ ความตั้งใจที่แน่วแน่วิมังสาก็จิตที่ค่้ควรแต่เรื่องของการปฏิบัติไม่คิดถึงเรื่องแฟนเรื่องเที่ยวเรื่องเล่นคิดแต่เรื่องปฏิบัติทานศีลภาวนาอยู่ตลอดเวลาถึงจะสามารถที่จะทำงานนี้ให้เสร็จได้ภายในเจดวันเจดเดือนหรือเจ็ดปี นี่คือสิ่งที่พวกเราขาดกันก็คือเราไม่ทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจเวลาให้กับการปฏิบัติยังขอเป็นมือสมัครเล่นยังไม่ยอมเป็นมืออาชีพจะขอปฏิบัติเฉพาะช่วงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ส่วนวันธรรมดาขอไปทำงานห า, หาเงินหาทองหาลาบยศสรรเสริ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกา ย, ยาเมื่อเราเป็นมือสมัรเล่นเราจะไปเปียกตัวเราให้เหมือนมืออาชีพได้อย่างไรพวกมืออาชีพเขาก็ไปชิงรางวัลกันได้ชิงเหรียญทองกันได้แต่พวกมือสมัรเล่นก็ต้องดูไปดูเขาชิงไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปในสนามแข่งได้ เวลาก่อนที่จะเข้าไปในสนามแข่งก็มีการคัดเลือกก่อนรอบคัดเลือกก็ตกแล้วแล้วจะเข้าไปแข่งขันชิงเหรียญทองกันได้อย่างไรเพราะว่าไม่ได้ซ้อมมามากพอ น, นั่นเองไม่ได้เตรียมตัวมามากพออาทิตย์หนึ่งเตรียมแค่วันสองวันเช่นวันหยุดทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์ส่วนวันอื่นวันปกติก็ไปทำงาน เพราะยังต้องหาเงินหาทองก็จะได้เอาเงินเอาทองนี้มาหาความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายถ้าทำอย่างนี้ก็ชาตินี้ก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุมรกผลนิผ่านได้อย่างมากก็สะสมบารมีไปเผื่อชาติหน้าเวลาเกิดจะได้ไปทำต่อได้ แต่ก็อยู่ในระดับอนุบาลหรืออยู่ในระดับปฐมซึ่งก็จะต้องใช้เวลาอีกหลายกับหลายกันจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่รู้กี่ล้านรอบจนกว่าจะได้เจอกับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่แล้วก็อาจจะมีบินศี์ที่แก่ก้าพอที่จะปฏิบัติ อย่างเต็มรูปแบบปฏิบัติแบบมืออาชีพถึงจะได้หลุดพ้นได้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างพระสาวกที่เรากราบไหว้บูชากันพระอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิล์หลวงปู่มั่นที่พวกเราเชื่อว่าท่านได้บรรลุเป็นพระอาลัยกันท่านเป็นมืออาชีพทั้งนั้นท่านเป็นนักบวชทั้งนั้น หามือสมัครเล่นที่บรรลุมรรคผลนิพพานนี้แทบจะหาไม่ได้เลยต้องเป็นมืออาชีพเป็นทั้งหญิงเป็นทั้งชายหญิงก็มีแต่มีน้อยกว่าชายแต่ก็มีเป็นนักบวชเหมือนกันเพียงแต่ว่าห่หมผ้าสีไม่เหมือนกันเท่านั้นเองมผ้าสีขาวกับห่มผ้าสีเหลืองอันนี้เป็นเพียงเครื่องแบบเท่านั้นเอง แต่ความการปฏิบัตินี้ไม่มีความแตกต่างกันปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเหมือนกันผลคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจึงเป็นเหมือนกันเวลาตายไปกระดูกกายเป็นพระธาตุเหมือนกั น, นไม่ได้อยู่ที่เพศไม่ได้ว่าต้องเป็นชาย หรือเป็นหญิงไม่ได้อยู่ที่สีผ้าที่หม่มว่าจะต้องเป็นสีเหลืองหรือเป็นสีขาวอันนี้เป็นเพียงเครื่องแบบภายนอกเป็นสัญลักษณ์ของผู้ปฏิบัติให้ผู้อื่นที่หูหนอกตาบอดจะได้รู้บ้างว่าบุคคลเหล่า น, นี้เป็นบุคคลที่กําลังแสวงหาความสุขที่แท้จริงหรือบุคคลที่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงแล้ว ถ้าพวกเราอยากจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงก็ควรจะเข้าหาบุคคลเหล่านี้เพราะบุคคลเหล่านี้จะช่วยเราได้จะบอกให้เรารู้จักวิธีหาความสุขที่แท้จริงได้แล้วจะทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงได้นี่คือเรื่องของการศึกษาและการปฏิบัติของแต่ละบุคคล ที่ไม่เหมือนกันไม่สมากันไม่เท่ากันบรรุชา้าบรรุเร็วมีความต่างกันเพราะว่ากิเลสตัณหามีมากน้อยต่างกันสติปัญญาที่จะมาแก้มาทำลายกิเลสตัณหาก็มีมากน้อยต่างกันการปฏิบัติจึงมีผลต่างกันต่างกันตรงที่ว่าช้าหรือเร็ว ยากหรือง่ายแต่ผลไม่เหมือนกันในที่สุดก็จะได้ผลเช่นเดียวกันบางคนปฏิบัติยากปฏิบัติชา้าถึงจะได้ผลบางคนปฏิบัติง่ายปฏิบัติเร็วก็ได้ผลบางคนฟังทำเพียงครั้งเดียวก็บรรลุได้บางคนต้องฟังแล้วฟังอีกฟังเป็นสิบปี อย่างพระ อ, อานน์นี่ก็ฟังเป็นนี่เป็นหลายสิบปีด้วยกันอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอยู่ยี่สิบกว่าปีมั้งเท่าที่จะจําได้ก็ได้ฟังธรรมทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าสแดสแดงทรงแสดงธรรมเพราะจะติดตามพระพุทธเจ้าไปทุกขนทุกแข้งและเวลาที่ไม่ได้ติดตามไปแล้วพระพุทธเจ้าไปสแสดงถามไว้ พระอานุ์ก็บังคับให้พระพุทธเจ้ากลับมาแสดงให้แก่พระอานุ์อันนี้เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่พระอานุ์ตั้งไว้เวลาที่จะรับหน้าที่อุปถาพระพุทธเจ้าพ ร, พระอานุ์ตั้งไว้หลายเงื่อนไขด้วยกันเงื่อนไขที่สําคัญก็คือเมื่อว่าพระพุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมที่ไหนถ้าพระอานนุ์ไม่ได้ติดตามไปด้วย เวลาพระเจ้ากลับมาขอให้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงทําให้แก่พระอานุนด้วยเพราะเป็นการสแสดงเจตนาลมว่าที่มารับใช้พระพุทธเจ้านี้มารับใช้เพื่อศึกษาธรรมะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าจะได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าไม่ได้มารับใช้พระพุทธเจ้าเพื่อลาบสักการะเช่นนีเงื่อนไขว่าไม่ขอรับ จีวร อ, อันปาณีจากพระพุทธเจ้าไม่ขอรับอาหารอันปาณีจากพระพุทธเจ้าไม่ขอรับราบสการอันปาณีของจากพระพุทธเจ้าไม่ขอที่อยู่อันปาณีจากพระพุทธเจ้าถึงแม้พระพุทธเจ้าจะให้ก็ไม่ขอรับแต่ขอให้พระเจ้าแสดงทําให้แก่พระอนุอ์แล้วถ้าเวลามี ผู้ที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ขออนุญาตถาวเข้าเฝ้าได้เสมอเพราะท่านมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือผู้ที่ต้องการที่จะเข้าหาธรรมะได้เข้าพบกับพระพุทธเจ้ายังต้องขอตั้งเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ไว้ในการรับหน้าที่ดูแลอุปถาพระพุทธเจ้าแต่การดูแลอุปถาของพระ ของผ้าหนอนต่อพระพุทธเจ้าจึงทำให้ะ้าหนอนไม่ได้เป็นนักปฏิบัติมือชีพไปเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะไปปีกวิเวไปปฏิบัติธรรมตามลาพังเหมือนกับพระที่ไม่ต้องมาปฏิบัติดูแลพระพุทธเจ้าพระที่ไม่ได้ปฏิบัติดูแลพระพุทธเจ้านี้พอเสร็จภารกิจจากการบินทบายก็เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาได้ไปตลอด เพราะไม่มีหน้าที่อะไรต้องทำแต่พระอน์นี้ต้องคอยอยู่ใกล้คอยดูแลรับใช้พระพุทธเจ้าจึงไม่มีเวลาที่จะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิมากเท่าที่ควรช่วงนั้นพระอนุ์จึงเป็นเหมือนกับนักปฏิบัติมือสมัครเล่นท่านจึงไม่สามารถบรรลุทำขั้นสูงได้เข้าใจว่าท่านบรรลุเป็นพระสวสดาบาแล้ว แไม่สามารถที่จะบรรลุปเป็นพาาาระอรหันได้จนเวละที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จประิพนิพานไปแล้วก่อนจ ะ, จะก่อนที่จะปรลิพนิพานพระพุทธเจ้าก็ทรงตัด บ, บอกประพาณิวัฒน์ว่าอานอนท์เธออย่าเสียใจเพราะเราจะเพราะเราจะจากเธอไปเพราะว่าเธอจะได้มีโ อ, อกาส บรรลุเป็นพระอหรหันต์ภายในเวลาสามเดือนหลังจากที่เราจากเธอไปแล้วนี่คือเป็นคำปยากรที่พระเจ้าทรงปรยากรให้กับพระอนนท์และพอถึงเวลาครบสามเดือนพระอนอนท์ก็ได้บรรลุเป็นพระอหรหันต์ขึ้นมาเพราะช่วงสามเดือนนั้นพระอนอนท์ได้กลายเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพไป ไม่มีธรกิจไม่มีรภารากิจอย่างอื่นมาขัดเวลาของการปฏิบัติมีเวลาปฏิบัติตลอดตั้งแต่ตื่นจนหนับสามารถเปรีกวิเวกไปอยู่คนเดียวได้ไม่มีเรื่องมีราวอะไรต่างๆมาคอยฉุดากจิตใจให้ไปทำให้ไปคิด ใจคิดอยู่กับเรื่องตายดักอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดอยู่กับอสุภะคิดอยู่กับอาหารหรือปฏิกูลัสัญญาคิดอยู่กับเรื่องธาตุสีดินน้ำลมไฟพอใจคิดอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้กิเลสตัณหาต่างๆก็ถูกทำลายไปหมดภายในระยะเวลาเพียงสามเดือนเท่านั้นเองนี่คือความแตกตา่าง ว่าทำไมถึงบรรลุเร็วกับบรรลุชา้าบรรลุเร็วเพราะปฏิบัติมากและปฏิบัติถูกก็จะบรรลุเร็วแต่ถ้าปฏิบัติน้อยหรือปฏิบัติไม่ถูกก็จะบรรลุช้าหรือไม่บรรลุเลยอย่างองคุลิมานี้ก็ปฏิบัติผิดไปฆ่าคนคิดว่าการฆ่าคนหนึ่งพันคนจะทําให้บรรลุเป็นผู้วิเศษขึ้นมาได้ ถ้าไม่ได้เจอกับพระพุทธเจ้าก็คงจะบรรลุในนาลกแน่แต่บารมีของพระพุทธเจ้าสามารถช่วยองคุลิมานให้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้เห็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องขององคุลิมานได้ทําให้องคุลิมานกลับใจ ย, ยุติการแข่งข้าพุ่นแล้วกลับมาบําเพ็ญ สมถวิปัตนาภาวนาจนได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาหลุดจากการที่จะต้องไปตกนรกอเวจีถึงแม้ว่าจะได้ฆ่าคนมาแล้วถึง99้าก้าาคนก็ตามการที่ได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์นี้ทําให้ยุติการไปเกิดได้ไม่ว่าจะไปเกิดที่ไหนเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาหรือเกิด เกิดในนรกนี้ก็ไม่ต้องไปด้วยอำนาจพลังของอรหัตผลยุติการเวียนว่ายตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่ได้อย่างหมดสิ้นกรรมเก่าที่เคยได้สร้างมามากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะมาฉุดรากให้โดงจิต ด, ดงวิญญาณของพระอรหันต์ไปชดใช้กรรมได้อีกต่อไป นี่คือเรื่องของการปฏิบัติจําเป็นจะต้องมีผู้รู้จริงเห็นจริงเป็นผู้บอกทางถ้าไปเจอผู้ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงบอกทางก็เหมือนกับไปเจอคนตาบอดบอกคนตาบอดบอกทางคนตาบอดคนตาบอด ก, ก็ไม่รู้จริงคนตาบอดที่มาเรียนก็ไม่รู้จริงเขาว่ายัางไงก็เชื่อตามที่เขาว่า เขาว่าให้นั่งสมาธิเบี่ยงเวี่ยนก็เวียนเขาเขาเขาว่าไม่ต้องนั่งสมาธิเขาก็ทําตามเขาเพราะตัวเองไม่รู้ว่าวิธีไหนถูกวิธีไหนผิดนั้นเองใครเขว่าอย่างไรก็เชื่อเชื่อแล้วพบมรรคผลก็ไม่เกิดเกิดแต่ความหลงหลงคิดว่าตนเองบรรลุแล้วอันนี้ ถ้าแม่เข้าหาผู้รู้จริงเห็นจริงผู้รู้จริงก็คือผู้ที่สอนมักที่มีองศาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าคำสอนของใครก็ตามถ้ามีมักเป็นอง์8นี้เป็นคำสอนที่ถูกต้องถ้าคำสอนของใครไม่มีมักที่มีองศานี้ก็ถือว่าเป็นคำสอนที่ไม่ถูกหรือไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ มรรคแปดมีทั้งสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรนี่เรียกว่าปัญญาสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เรียกว่าสมาธิสัมมาสัมมากัมมันโตสัมมาวาจานี่เรียกว่าสี สรุแล้วคําสอนต้องมีทั้งสามส่วนประกอบกันคือมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิแล้วมีทั้งปัญญาครับองใดองค์งหนึ่งไปไม่ได้จะทําให้ไม่สําเร็จผลขึ้นมาเหมือนครับทำกับข้าวแล้วไม่ใส่น้ําปลาอาหารจะวิเศษยังไงพอไม่ใส่เกลือไม่ใส่น้ําปลาก็กินไม่ลงเจิดชื่อมันต้องมีครบทุกอย่างถึงจะเป็นอาหารที่โอชะ ที่น่ารับประทานขึ้นมาทันใดคําสอนของใครก็ตามถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาก็ถือว่าเป็นคําสอนที่ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ถูกต้องคําสอนของใครสอนให้ข่าผู้อื่นเพื่อจะได้ไปพบกับพระเจ้านี้ก็เป็นคําสอนที่ผิดนผู้ที่จะเข้าหาพระเจ้าได้ผู้ที่จะหาผู้ที่เข้าหาผู้ประเสริฐได้ต้องเป็นผู้ที่มีศีลเท่านั้นน ผู้ที่จะเป็นพระอริยบุคคลได้ต้องมีศีลอย่างองค์ุลิมาจึงต้องหยุดฆ่าผู้อื่นถึงจะได้เป็นพระอาหารหันต์ได้ถ้ายังฆ่าผู้อื่นอยู่ก็จะไม่สามารถที่จะเป็นพระอาหารหันต์ได้ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งน่าต้องศึกษาจากแหล่งที่ถูกโอเ จะศึกษาจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงผู้ที่ได้บรรลุแล้วท่านนั้นจึงจะถือว่าเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงถ้ายังไม่บรรลุนี้จะไปรู้จริงเห็นจริงได้อย่างไรดังนั้นถ้าเราไม่สามารถหาผู้รู้จริงเห็นจริงที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ก็ต้องหาคำสอนของท่านผู้ที่รู้จริงเห็นจริงที่ได้นีจารึกไว้ในหนังสือในสื่อต่างในอดีตก็ เป็นคนําคสอนของพระพระเจ้าและคําสอนของพภาษาวกที่ได้มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้เป็นแหล่งที่ถือว่าเป็นแหล่งที่เป็นหลงความรู้ที่ถูกต้องถ้าไม่มีพระอาหารหันต์พระอาาริยเจ้าที่มีชีวิตมาสั่งมาสอนเราก็ต้องเข้าหาคําสอนของพระพระเจ้าที่มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎก ถึงแม้จะยากกว่าการเรียนจากผู้ที่มีชีวิตอยู่เพราะการเรียนจากพระไตรปิฎกนี้เหมือนกับการที่เราจะต้องไปค้นหาอาหารชนิดต่างๆมารับประทานที่ให้เหมาะกับสถานภาพของร่างกายของเราถ้าเราเป็นเด็กเราก็ต้องหานมหากล้วยหาอาหารอ่อนมารับประทานถ้าไปเจอเนื้อแข็งๆก็กินไม่ได้ แต่ถ้าเรามีคนป้อนนี่มันง่ายเช่นเรามีพ่อแม่ีิพ่อแม่จะรู้ว่าอาหารอันไหนเหมาะกับวัยของเราวัยเด็กเมื่อพ่อแม่แม่ก็จะหานมมาให้ดืม่มหาของเล๋วๆของกินง่ายๆให้กินถ้าเอาเนื้อทอดเอาไก่ทอดมาให้กินก็คงจะกินไม่ได้แต่ถ้าไม่มีคนป้อนเราต้องหาอาหารเองก็อาจจะไม่รู้ว่าอาหารอันไหนจะเหมาะกับวัยของเรา เวลาที่เราเริ่มศึกษาใหม่ๆเราก็ไม่รู้ว่าควรจะศึกษาธรรมะบวใจเพราะในพระไตรปิฎกนี้ก็มีธรรมะเป็นถึง8 4ด0มสี่พันพระธรรมขันธ์ด้วยกันพอเราอา่านปั๊บเราก็งงเลยไม่รู้จะเอาตรงไหนดีพออ่านเข้าเห็นขันเห็น8ดมสี่พันพระธรรมขันธ์ก็เลยยอมแพ้สู้ไม่ไหวไม่รู้ว่าจะไปอ่านตรงไหนดี ก็รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดีที่อ่านแล้วจะทำให้เกิดความเจริญขึ้นมาในทางจิตใจก็เลยท้อแท้ก็เลยไม่ค่อยเข้าหาพระไตรปิฎกกันไม่ค่อยศึกษากันนอกจากผู้ที่มีความวิริยะขวนขวายมากๆาผู้ที่มีความสนใจต่อการศึกษามากๆเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปศึกษาจากพระไตรปิฎกได้ นอกนั้นแล้วก็ต้องรอให้เจอกับผู้ที่รู้จริงเห็นจริงที่ยังมีชีวิตอยู่ที่จะป้อนอาหารที่เหมาะกับวัยของเราแต่ยังไงก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีผู้ผู้สอนไม่ว่าจะเป็นผู้สอนที่ตายไปแล้วแต่มีคาสอนอยู่ในหนังสือหรือผู้สอนที่ยังมีชีวิตอยู่ แล้วสมัยนี้ก็มีสื่อที่วิเศษที่ทําให้เรายัางสามารถรักษาเสียงของผู้สอนได้เหมือนกับเราได้ฟังจากปากของท่านโดยตรงเช่นแผ่นซีดีอะไรเหล่านี้ที่บันทึกเสียงบันทึกภาพของครูบาอาจารย์ต่างๆไว้เราเปิดดูเปิดฟังก็เหมือนกับเราได้ศึกษาโดยตรงจากท่านทั้งที่ท่านจากเราไปแล้ว แต่ตัวของท่านไม่ใช่เป็นตัวที่ตัวสาระสำคัญของท่านตัวสาระสำคัญของท่านอยู่ที่คำสอนของท่านดังนั้นถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปแล้วแต่เสียงของท่านคำสอนของท่านยังอยู่ภาพที่ท่านกำลังแสดงคำสอนก็ยังอยู่ก็เหมือนกับว่าเราได้อยู่กับท่านในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่เลย เราสามารถที่จะนำเอาคำสอนของท่านมาปฏิบัติได้แต่เราไม่สามารถถามปัญหาได้เวลาที่เราเกิดความสงสัยไม่เข้าใจอันนี้ก็จะเป็นจุดจุ ด, ด้อยไม่เหมือนกับได้อยู่กับได้ศึกษากับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่พอเราสงสัยอะไรติดขัดตรงไหน พอไปถามปุ๊บก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาทันทีก็จะได้แก้ปัญหาได้ถ้ากำลังเดินผิดทางก็จะได้ยุติได้กลับมาเดินในทางที่ถูกได้อย่างเมื่อไม่นานนี้ก็มีเด็กคนหนึ่งมาอยู่วัดแล้วก็มาตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะไม่พูดไม่คุยกับใครจะปิดปากเพราะคิดว่าการปิดปากไม่พูดคุยจะทำให้ใจสงบได้ เราก็บอกเขาว่าปิดปากได้แต่ยังปิดความคิดไม่ได้เราปิดปากอยู่แต่ใจของเราก็ยังคิดได้อยู่เพราะการปิดปากนี่ไม่สามารถไปปิดความคิดได้จะปิดความคิดได้ต้องใช้สติเท่านั้นถึงจะปิดมันได้เช่นถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ พอเราคิดไม่คิดเรื่องนั้นเรงนี้ใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายปราศจากอารมณ์ต่างๆเราบอกเขาเข้าเลยเข้าใจเขาเกิเขาเกเลยเลิกปิดปากกลับมาปิดความคิดแทนด้วยการมาเจริญสติบรรยากับพุทโธพุทโธไปตั้งแต่ตื่นจนหับจิตใจเขาก็ว่างจากความคิดได้จิตใจก็มีความสงบมีความสุขได้ ไม่งั้เขาบอกว่าความคิดเขาที่สับสนมากคิดไปในแต่ละเลื่อนก็ทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาอก็เลยคิดว่าต้องปิดปากไม่ไม่พูดเพราะคิดว่าการพูดนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวที่ทําให้คิดนซึ่งความจริงตัวคิดต่างๆที่ทําให้พูดไม่ใช่ตัวพูดที่ทําให้คิดถ้าไม่คิดแล้มันจะพูดได้อย่างไร เวลานั่งสงบอยู่ในสมาธินี่จะพูดได้อย่างไรเวลาจิตสงบนี่ร่างกายจะนิ่งเฉยเพราะจิตไม่ทำงานจิตไม่สั่งการพะจิตไม่สั่งการร่างกายก็ขับเคลื่อนไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้พูดไม่ได้ใจเป็นอายกายเป็นเบาใจเป็นผู้สั่งให้กายพูดสั่งให้กายทำอะไรต่างๆพอใจไม่สั่งกายก็พูดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้หรือถ้าไม่มีใจก็เหมือนคนตาย เหมือนซากศสศพนี้ไม่ทำอะไรเลยไม่ยอมเคลื่อนไปไหนเลยต้องให้คนอื่นจับสายลงต้องให้คนอื่นจับเข้าเตาเผาไปเพราะจะพอนัางกายไม่มีใจเป็นผู้สั่งการแล้วนั่นเองนี่ก็คือตัวอย่างเรื่องของการที่มีครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่เวลาเราติดขัดตรงไหนเวลาเข้าใจเข้าใจผิดที่ตรงไหน ไปเล่าไปแจ้งให้ท่านทราท่านก็จะแก้ปัญหาให้เราได้อย่างนลวงตาท่านก็เล่าให้ฟังในช่วงวาระสุดท้ายของการปฏิบัติของท่านตอนนั้นท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นเพิ่งเสียไปใหม่ๆแล้วจิตของท่านก็เกิดความสว่างสวัยขึ้นมาแล้วก็ปรากฏมีธรรมโผล่ขึ้นมาว่าที่ตรงไหนที่มีจุดมีต่อมที่นั่นแหละคือตัวพบตัวชาตินะ เป็นปริศนาธรรมปรากฏให้ท่านได้ยินขึ้นมาภายในใจท่านฟังแล้วท่านก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ตัวที่เป็นจุดเป็นต่อมนี่มันตัวไหนอยู่ตรงไหนท่านบอกต้องใช้เวลาสิบสามเดือนถึงจะเข้าใจถึงจะแก้ปริศนาธรรมอันนี้ได้แต่ท่านบอกว่าถ้าหลวงปู่มั่นยังมีชีวิตอยู่ถ้าไปเล่าให้ท่านฟังหลวงปู่มั่นจะบอกไอ้ก้อยตัวนี้แหละไอ้ตัวที่สว่างสวายนี่แหละ ก็จะสามารถบรรลุได้ในเวลาอันรวดเร็วแา่กว่าจะรู้หน้นี้ต้องไปรู้ต้องไปค้นคว้าหาเอาเองหาไปหามาด้วยกำลังของปัญญาของตนในที่สุดก็ค้นพบแต่ช้าหน่อยนี่คือความแตกต่างระหว่างของการมีครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนคอยแก้ปัญหาต่างๆ กับการที่ไม่มีครูบาอาจารย์แต่ถ้าอยู่ในระดับมรรคผลนิพพานแล้วถึงแม่จะไม่มีครูบาอาจารย์ก็ถูถ่ายไปได้เอเตเริ่มต้นตั้งแต่พระโสดารันไปแล้วนี้เป็นผู้ที่เข้าสู่กระแสของพานิพพานแล้วคำว่าโสดานี้มาจากคำว่าโสตแปลว่ากระแสกระแสสู่พนานิพพานผู้ใดได้เข้าสู่กระแสแล้วก็จะไปถึงพานิพพานได้ ช้าหรือเร็วเท่านั้นถ้ามีคนคอยสอนคอยบอกเวลาที่ไปไม่ถูกก็จะแก้ไขแล้ไปให้ถึงได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่มีคนสอนคนบอกก็อาจจะช้าหน่อยอาจจะแวะตรงนั้นอาจจะแวะตรงนี้ติดตรงนั้นติดตรงนี้แต่ในที่สุดก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกับเวลาที่เราขับรถขึ้นทางด่วน ถ้าขึ้นทางด่วนแล้วมันจะมักจะไม่หลงทางนะเพราะมันมีป้ายบอกทางตลอดเวลาจะไปชนบรุรีจะไปนายงมันถึงทางแยกมันจะบอกให้เรารู้แต่ถ้าอยู่ข้างล่างนี้มันมีทางแยกเยอะแล้วก็ป้ายก็มีน้อยถ้ายังอยู่ข้างล่างอยู่นี้เดี๋ยวก็ขับวนไปวนม า, นมาไปไม่ถึงไหนแต่พอขึ้นทางด่วนแล้วรับรองได้ว่าถึงจุดหมายปลายทางได้ อย่างแน่นอนฉั้นใดาการปฏิบัติก็เป็นแบบนี้ถ้าเราได้เข้าสู่กระแสแล้วไม่มีครูบาอาจารย์ก็ได้สมมติว่าครูบาอาจารย์ท่านตายไปก่อนก่อนที่เราจะบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์เราได้แค่ขั้นโสดาบันเราก็ปฏิบัติไปได้เพราะเรารู้แนวทางแล้วมันจะมีป้ายบอกเราตวะเวลาป้ายที่จะบอกเราก็คืออริยรรสัจสี่นี่ทุกสมุทัยนิโรธมาก ถ้าปฏิบัติไปไปเจอทุกข์ที่ตรงไหนก็รู้เลยว่าตรงนี้มีกิเลสมีตัณหาต้องทํำลายมันถ้าไม่ทําลายมันก็ไปไม่ได้เนี่ยมันจะมีป้ายบอกทุกทุกระดับขั้นสกิดาคามีก็มีอริยสัจสี่คอยบอกขัานอนาคามีก็มีอริยสัจสี่คอยบอกขัานอารหันต์ก็มีอริยสัจสี่คอยบอก พระโสดาบันนี่รู้จักอริยาาสัจสี่แล้วก็รู้ว่านี่คือเครื่องมือที่จะแก้ปัญหาของขั้นต่างๆท่านก็แก้ได้แต่อาจจะช้าหน่อยเพราะก่อนจะทาหาตัวกิเลสแต่ละครั้งเจอนี้มันก็ไม่ง่ายเพราะกิเลสมันมีเล่ห์กลมากบางทีมันก็ปลอมตัวมาเป็นเพื่อนเราทําให้เราคิดว่ามันเป็นเพื่อนแท้จริงแล้วมันกําลังจะมาฆ่าเราโดยที่เราไม่รู้ตัว อย่างที่พ่อหลวงตาบอกว่าอาวิชานี่ตอนต้นก็คิดว่ามันเป็นเสือพอเจอมันจริงๆมันเป็นเหมือนนางบางเงานางโสณโสเพณีเนี่ยนางบางเงายืนซ่อนอยู่ยืนอยู่ตามถนนตอนในที่มืดมืดเขาเรียกว่านางบางเงาอคิดว่ามันเป็นเสือจะกัดพอไปเห็นมันเข้าว่ามันเปน็นสวยงามอย่างนี้แทนที่จะไปฆ่ามันในฆ่าไม่ลง แสงสว่างที่ดวงตาได้พบก็เนี่ยคือนางบางเงาที่ว่าจะเป็นเสือหน้าหน้เกลียดหน้ากลัวเป็นปีศาจยักษ์ปีนมานอาวิชาที่ไหนได้เป็นแสงสว่างที่ที่แบบว่ามหัศจรรย์แทนที่จะไปทำลายมันกลับไปรักไปห่วงมันไปครอบครองไปเป็นทาสไปเป็นคนปกป้องรักษามัน ปัญญาและอริยสั์สีมันก็จะบอกว่าอันนี้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันถ้าไปรักษามันไปปกป้องมันก็แสดงว่าเรายังเรายังมีตัณหามีกิเลสอย่ยังมีความรักยังมีความอยากในตัวมันอยู่มันก็จะย้อนพลิกกลับมาแล้วมันก็จะรู้ทันกันแล้วมันก็จะทาลายมันได้แทนที่จะรักษามันก้าวข้ามมันเลย นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีคือครูบาอาจารย์ถ้ายังไม่เข้าสู่กระแสต้องมีถ้าเข้าสู่กระแสแล้วมีหรือไม่มีก็ได้มีก็เร็วถ้าไม่มีก็ช้าอย่างพระอาน์นี่ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเป็นสวาบรภรแล้วก็ไม่มีพระพุทธเจ้าสามเดือนก็ไปถึงเป็นพระอ า, ารามได้ แต่ต้องเป็นพระโสดาบันถ้าไม่เป็นพระโสดาบันแล้วไม่มีพระอาหารหันต์มาสอนนี่ยากยากที่จะเข้าสู่กระแสได้อืจะได้ก็แค่ขั้นชานที่เป็นง่ายขั้นง่ายการเข้าชานี่ง่ายมากขอให้มีสติอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองขอให้มีพุทโธอย่างต่อเนื่องนี้ก็เข้าไปได้แล้วแเรื่องของปัญญาของมรรคผลนิพพานแต่ละขั้นนี้มันมีความ ละเอียดมีความแตกต่างกันในแต่ละขั้นที่ผู้ปฏิบัติจะต้องใช้ความสังเกตดูจิต ด, ดูใจของตนว่ากำลังทุกข์กับเรื่องอะไรกำลังติดอยู่กับเรื่องอะไรและต้องใช้อะไรมาแก้เรื่องที่กำลังติดอยู่เครื่องมือที่แก้ก็ต่างกันไปขารสมสดาบัก็ใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีก็ใช้เครื่องมืออีอย่างไม่เหมือนกัน ดังนั้นถ้าได้ศึกษามาก่อนก็พอจะรู้แนวทางเช่นศึกษ า, าจากพระไตรปิฎกก็ได้เนื่อจากที่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ก็ได้พอเราเข้าสู่เหตุการณ์นั้นเข้าสู่เจอปัญหานั้นเราก็จะจำวิธีแก้ได้ว่าท่านเคยสอนให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้พอเราเจอปัญหานี้เราก็ใช้วิธีนี้แก้ปัญหามันก็แก้ได้ผ่านไปได้และก็บรรลุได้ นี่ลนะคือการปฏิบัติและการศึกษาเป็นของที่ไปด้วยกันเพราะว่ามันต้องเปิดคู่มืออยู่เรื่อยเวลาเวลาปฏิบัติเวลาเจอปัญหาก็ต้องหาคู่มือมาเปิดดูว่าตรงนี้จะทำยังไงในทางทางปฏิบัติแล้วท่านจะท่านจะมีปริยัติกับปฏิบัติไปพร้อมๆกันส่วนในทางปริยัตินี่เขาจะแยก ปฏิบัติให้มันหมดพระไตรปิฎเรียนรู้พระไตรปิฎกให้หมดตั้งพระไตรปิฎกก่อนแล้วค่อยไปปฏิบัติพอไปปฏิบัติก็ลืมหมดเลยที่เรียนมาเพราะมันเป็นความจําท่านบอกให้เรียนขั้นอนุบาลแล้วก็ปฏิบัติขั้นอนุบาลควบคู่กันไปพอขึ้นขั้นขั้นปฐมก็เรียนขั้นปฐมแล้วก็ปฏิบัติขั้นปฐมควบคู่กันไปไม่ให้แยกออกจากกันนี่คือแนวทางของปริยัติปฏิบัติที่แท้จริง ต้องไปด้วยเนี่ยต้องไปด้วยกันเรียนแล้วก็นำออกไปปฏิบัติเลยถ้าปฏิบัติแล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรที่จะอยู่กับใจของเราไปตลอดไม่มีวันที่จะจากใจเราไปได้ไม่เหมือนกับความสุขทางโลกทางลาวยศ ร, รัสรเสนทางรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้มาแล้วก็หายไปต้อง ต้องออกไปหาใหม่มาเติมอยู่เรื่อยๆเติมเท่าไหร่ก็หมดไปเท่านั้นพอถึงเวลาที่ไม่มีความสามารถที่จะเติมได้ก็เป็นเหมือนคนอดอยากขาดแคลนคนที่แก่คนเจ็บไม่หาความสุขทางร่างกายไม่ได้ก็จะมีแต่จิตใจที่บอบช้ำจิตใจที่หิวจิตใจที่กดหดลำคาญทุกทรมานใจเพราะไม่สามารถเติมความสุข อย่างที่เคยเติมได้นั่นเองแผู้ที่มีความสุขภายในก็จะไม่เดือดร้อนกับความเสื่อมกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือจึงเรียกว่าเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ติดอยู่กับใจไปตลอดเป็นความสุขที่พวกเราทั้งหลายได้มาหากันอยู่เป็นระยะเวลาหลายปีแล้วไม่ทราบว่าหา กันเจอหรื อ, อยังได้หรื อ, อยังหรือไม่ได้หากันมาฟังเสร็จแล้วพอกลับไปบ้านก็เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี่โยนทิ้งถังขยะไปแล้วเดือนหน้าค่อยมาฟังใหม่ถ้าฟังแบบนี้อีก20ปี30สิปีก็เหมือนเดิมจะไม่มีวันที่จะเจริญก้าวหน้าได้ดังนั้นขอให้ท่านจงนำอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติ เพื่อผลที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ต, ต่อไปนี้มีญาติโยมที่อยากจะถามปัญหา <c oughs> ก็จะให้ถามผ่านทางไมโครโฟน <c oughs> เพื่อผู้ที่ฟังจะได้ยินเสียงคำถามไปด้วย <c oughs> ใครต้องการถาม <c oughs> ก็ขอกรุณาผ่าน <c oughs> พูดผ่านทางไมโครโฟน อ่าขอเชิญได้เมืี้ที่ท่านเจ้าจารย์เทพเกี่ยวกับเรื่องเ อ, อบอกว่าตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นไปนะฮะจะมีป้ายบอกทางไปเรื่อยๆ mm hmm. แ, ตแต่ละขั้นเนี่ยนะฮะ mm hmm. เหมือนขึ้นทางด่วน mm hmm. เราไปก็จะเห็นป้ายบอกทาง mm hmm. ทีนี้ลูกไม่มาถึงขั้นนั้นนะฮะถ้าที่ก่อนโสดาบันเนี่ยฮะอยากเห็นป้ายบอกทาง mm hmm. ว่าไปไ ป, ไปยังไงถึงจะถึงโสดาบัน oh, แล้วก็ต้อง อาเงินซื้อค่าบัตรผ่านทาง ด, วด่ว <laughs> นบัตรผ่านทางด่วนก็คือต้องทำทานต้องสละให้หมดมีข้าวมีของอะไรต้องสละให้หมดมีสามีมีลูกมีอะไรต้องสละให้หมดต้องไปบวชนะถึงต้องถึงจะได้ไปขึ้นทางด่วนได้ก็สังเกตดูคนที่เขาขึ้นทาง ด, วด่วนส่วนใหญ่เขาก็เป็นนักบวชกันทั้งนั้น เข้าใจยังทานก็มายอมทานศีลทักก็มายอมทานศีลก็มายอมรักษาแต่อยากจะขึ้นทางด่วนก็ต้องเดินขึ้นนอะค่ะเอ่อคือจะมีปัญหาในส่วนหนึ่งคือ เวลาที่สนใจจะเข้ามาทางปฏิบัติทําจริงจังอะคะ่ะแต่ว่าวิทีครอบครัวจะไม่เข้าใจเขาอาจจะขัดเขาจะสามารถขัดขวางพยายามไม่ให้เรามาทางนี้การที่เราจะทำใจไม่ให้รู้สึกต่อต้านเขาควรจะทาใจรับกับมันยังไงคะ่ออ็คิดว่ามันเหมือนกันทุกคนน่ะตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมานี่ไม่มีใคร เ, เออ็คิดเหมือนเราหรอก ทางเรานี่มันเป็นทางที่ไม่มีคนทั่วไปเขาคิดกันเขาไม่รู้คุณค่าของทางเขากลัวเขาไม่เขากลัวว่าเราจะไปแล้วจะไม่ได้สิ่งที่ดีอย่างที่เราคิดเพราะเขาไม่รู้ว่าทางที่เราไปนี้ดีอย่างไรก็เป็นเรื่องธรรมชาติของเขาที่เราต้องทาใจพิจารณาว่าเขาเป็นอนัตตา เราไปห้ามเขาคิดไม่ได้ห้ามเขาให้มีความรู้สึกอย่างนั้นไม่ได้แต่เราต้องรู้ต้องรู้ว่าทางที่เราไปนี้เป็นทางที่ถูกที่ดีที่ควรเพราะเป็นทางที่พระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านได้ไปกันแล้วขอให้เรามีความแน่วแน่มั่นใจกับทางนี้ก็แล้วกันส่วนความคิดของคนอื่นเขาจะคิดอย่างไรนี่เราห้ามเขาไม่ได้ คนอื่นที่เขารู้ทางเขาก็จะอนุโมทนาเขาก็จะแสดงความยินดีแต่คนที่เขาไม่รู้จักทางนี้เขาก็จะมีความวิตกมีความกังวลมีความเห็นที่ไม่ตรงกับเราก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาเราอย่าให้ความคิดของคนอื่นมาเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินไปในทางนี้ก็แล้วกัน อากใครจะถามต่อกับเรียนพระอาจารย์ค่ะคือโยมปฏนแบบตอนนี้ก็คือพิจนาธาสีกับไตรลักษณ์นะคะทีนีออ้อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ขยายความว่าถ้าพระโสดาบานันพระสกัธามีพระนาคามีค่ะพิจารณาอะไรคะ่ะเจ้าคะคือพระโสดาบานันีท่านจะพิจารณาเรื่องความความเจ็บความตายของร่างกายเป็นหลัก คือทั้งพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวท่านเป็นเพียงดินน้ําลมไฟมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการตายเป็นธรรมดาต้องมีการเจ็บเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่ใจไปห้ามไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่ใจไม่ต้องทุกข์ด้วยได้คือใจถ้ารู้ทันแล้วปล่อยวางอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่เจ็บอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่ตายเท่านั้นใจก็จะเป็นอุเบกขา พอเป็นอุเบกขาวางเฉยก็จะไม่สะเทือนใจเวลาที่ใจเจ็บหรือเวลาที่ร่างกายเจ็บหรือเวลาร่างกายจะตายไปวิธีที่จะทดสอบก็สังเกตดูเช่นถ้าเราไปหาหมอแล้วหมอว่ามีมะเร็งอย่างนี้เราดูใจเราเลยว่าเป็นยังไงเฉยเรื่อยยังวุ่นวายหวั่นไหววิตกถ้ายัางวุ่นวายห ว, วยั่นไหวก็แสดงว่าเรายัางไม่มีปัญญา ที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในร่างกายแต่ถ้าเราเฉยแล้วว่าเออมันเป็นอย่างนี้แหละมันเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอนัตตาห้ามมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งรถยนต์เราขับมันไปมันเสียแล้วก็ซ่อมมันไม่เห็นเราไปทุกข์กับมันเลยทำไมร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์ทําไมเราต้องไปทุกข์กับมันด้วยเวลามันเจ็บ เราใช้การเปรียบเทียบแบบนี้ก็ได้ให้เรามีความรู้สึกแบบเดียวกับที่เรามีความรู้สึกกับรถยนต์เพราะมันไม่ต่างกันต่างกันตรงที่ว่าร่างกายมันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นดินน้าเป็นเป็นอาการสาสองส่วนรถยนต์มันเป็นเหล็กเป็นกระจกเป็นพลาสติกเป็นสายไฟแต่มันก็เป็นอนิจจงเหมือนกันเป็นอนัตตาเหมือนกันเราเป็นคนขับเหมือนกัน ร่างกายนี้เราเราก็เป็นคนขับมันรถยนต์เราก็เป็นคนขับมั น, เ, เ, น, น, มนเมื่อมันเสียมันจะพังเราไปเราไม่ทุกกับรถยนต์ทำไมเราต้องมาทุกกับไอรถคันนี้คือร่างกายของเรานี่คือการพิจารณาเพื่อปล่อยวางเวลาเกิดเหตุการณ์ที่จะมาทําให้ใจสันส่นสะเทือนเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถึงเวลาที่จะต้องตายถ้าเรามีปัญญาเราปล่อยวางร่างกายได้ ก็จะไม่ทุกข์กับมันหรือจะไม่ทุกข์กับความเสื่อมของร่างกายของคนอื่นเช่นของสามีของภรรยาของบุตรของทิดาของพ่อของแม่ของคนที่เรารักเขารบบูชาเราก็จะทำใจเฉยได้นี่คือเรื่องของพระโสดาบันเป็นผู้ที่ยอมรับกับความเสื่อมอย่างที่พระอัญญาณโกนทันยะได้เป่งวาจาว่า สิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาท่านยอมรับความจริงอยอมรับว่าร่างกายต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาและทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสมบัติเก้าของเงินทองหรืออะไรก็ตามก็ต้องเสื่อมไปเรามีอะไรเราก็ต้องหมดมันก็ต้องหมดไปสักวันหนึ่งเราจะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราเห็นความจริงอันนี้ น, นี้คือเรื่องของโสดาบัน พอท่านไม่ทุกข์กับความเสื่อมท่านก็ไม่ต้องไปทำบุญสะดะเคาะไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปหาสินแสไม่ต้องไปย้ายบ้านไ ม, ไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทรงผมสุดท้าแต่สินแสจะแนะนำเพราะเราเชื่อในเรื่องว่าเกิดมาแล้วมันต้องเสื่อมมีเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมรวยได้ก็ต้องจดได้แต่ไม่หวั่นไหวกับความยากความจน ควมที่จะเจอกับทุกสภาพได้ก็เลยไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องศีลับพัฏปาลามาสคือทํากิจนอกศาสนากิจของศาสนานี้พอแล้วรักษาศีลทําทานภาวนาไปนี่พอแล้วพอเพียงต่อการรักษาจิตใจของเราให้สงบไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจนี่ก็เป็นเรื่องของพระโสดาบันละส ก, กายาเทถิทละศีลับพัฏปาลามา ละความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เพราะได้ใช้ธรรมของพระอุตตเจ้ามากําจัดความทุกข์เห็นอริยาาสัจสี่เห็นทุกขสมบทัยนิโรธมักปรากฏขึ้นมาภายในใจก็ไม่สงสัยว่าคนสอนมีจริงหรือไม่มีจริงแล้วไม่สงสัยว่าพระอริยสงฆ์เป็นได้หรเป็นไม่ได้มีจริงหรือไม่ก็เพราะตัวเราได้กลายเป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมาแล้ว นี่คือเรื่องของสีเรื่องของสังโยชน์สข้อแรกที่พระพระโสดาบันกาจัดได้ละได้ขั้นของพระสกิดาคามีกับพระนามีคณนาคามีก็มีสังโยชน์ อ, อยู่อีกสองข้อคือการมราคากับปฏิคากการมาราคะก็คือความความความยินดีในการอารมณ์ปฏิคะก็คือความหงวดหงิดใจ ที่เกิดจากเวลามีการมารมณ์แล้วไม่ได้ไม่สามารถเสพการมารล์ได้ก็เกิดปฏิฆาขึ้นมาวิธีที่จะกําจัดปฏิฆากับการมาราคาก็ให้กําจัดด้วยอสุภะ<ม>เวลาเกิดการมารลมก็นึกถึงส่วนที่ไม่น่าดูน่าชมของร่างกายของคนที่เรามีการมารล์ด้วยมันก็จะดับการมารลมได้ พราะไม่มีการมาลมปฏิฆะความหงุดหงิดใจก็จะหายไปด้วยอันนี้ก็ชาติขั้นสกิดาการีท่านก็บอกว่าทําได้ประมาณครึ่งหนึ่งคือทําให้มันเบาบางลงไปแต่ไม่หมดไปถ้าต้นไม้ก็คือตัดต้นได้แต่ยังไม่ได้ถอนรากถอนโคนขั้นห้านาคามีก็จะทําร้ายได้อย่างถาวรเพราะจะมีอสุภะอยู่ในใจตลอดเวลา มองเห็นขครนี่จะมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังทันทีมองเห็นอวัยวะต่างๆตลอดเวลาเนื่องจากการเจริญอย่างต่อเนื่องการเจริญก็คือเราเลิกถึงอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นเนื้อหนังเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ มันจะพรึบขึ้นาทันทีเห็นไขรก็เห็นพรึบเข้าไปมันตาเอ็กซเรย์แล้วความสวยความงามมันที่ที่ใช้ผิวหนังเป็นที่ตั้งมันจะมันจะทนสู้กับความจินของอสุภะได้อย่างไรการอารมณ์มไม่มีวันเกิดถ้าถ้ามีอสุภะอยู่ในใจเห็นอยู่ตลอดเวลานั่นก็เป็นขั้นของพระอานาคามี มันคันอรหันต์ก็มีอยู่ที่ตัวอวิชากับตัวมานะมีเป็นหลักมานะก็คือการถือตัวก็ต้องพิจารณาว่าตัวตนมันออกมาจากตรงไหนเวลาจิตสงบตัวตนมันหายไปเวลาจิตออกจากความสงบมาตัวตนก็ผล่ขึ้นมามันก็ผล่ขึ้นมากับสังขารกับสัญญานี่มันก็เป็นเรื่องของขันปรุงแต่งขึ้นมามาแล้วเราก็ไปเชื่อมันไปไป ไปยึดไปติดมันพอเวลาจิตสงบนิ่งมันก็หายไปมันก็รู้ว่าเป็นเพียงสัญญาสังขารไม่เที่ยงไม่ใช่ของจริงไม่ต้องไปยุ่งกับมันของจริงคือตัวรู้สักแต่ว่ารู้เวลาจิตสงบขันสงบเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวพระเจาจึงสอนว่าให้สักแต่ว่ารู้ ได้ยินกระสักแต่ว่าได้ยินไม่ให้มีสัญญาสังขารก็ไปยุ่งด้วยอย่าไปว่าเขาด่าเราเขาชมเราถ้าไปปรุงแต่งว่าเขาว่าเราชมเราก็จะเกิดความรักความชังขึ้นมาเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าสติปัญญาท่านเหมือนก็จะเฉยใครชมก็เฉยใครด่าก็เฉยเพราถามว่ามันด่าใครมันชมใครมันด่าผมหรือขนหรือเทปหรือฝัน เนื้อหนังเนื้อเนื้อเอ็นเนื้อกระดูกใช่ไหมเวลาด่าคนเราด่าใครแล้วก็ด่าผมกดเล็บฟันเขาไม่ให้หน้าเขาต้องทําด้วยอะไรก็หนังแต่ตัวจริงเรามองไม่เห็นเท่าหร่กตัวจิตเราเห็นที่ไหนตัวที่ตัวที่เป็นตัวปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเพียงแต่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองแม้แต่ตัวจิตเองตัวจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีตัวตน อวิชาก็คือความสุขที่ละเอียดที่ยังมีอยู่ในจิตนะที่จิตเพียงไปยึดไปติดอยู่เช่นแสงสว่างนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของความสุขที่ละเอียดที่มันเป็นอนิจจังมันสว่างได้มันก็อับได้ถ้าเราไปติดมันแล้วก็พยายามที่จะรักษาให้มันสว่างก็ใช้สติปัญญาเพราะมันเกิดจากการที่เราจเจริญสติปัญญามันถึงสว่างขึ้นมา แต่ตอนนี้เราต้องพลิกสติปัญญากับจากการที่จะผลิตมันเราต้องปล่อยมันให้มันดับไปอย่าไปยึดไปติดมันเพราะมันไม่เที่ยงพอเราปล่อยมันแล้วมันก็หายไปหายไปแล้วมันก็เหลือแต่ความว่างอันนี้แหละที่เป็นศูนย์ยัางปรมังศูนย์ยัางนี่คือขั้นของป้ า, าพูดผ่านไม้พูดผ่านไม้ ที่บอกว่าต่อมที่ท่านที่หลวงตาอ่าที่ไหนที่มีจุดมีต่อมอาใช่ฮะคือตัวพบตัวชาที่นี่อาจารย์อธิบายแบบนี้แค่เอาเดียวต่อให้แสงสว่างนี่ไงที่ว่าเป็นนางบางเงาอวิชาเป็นนางบางเงาพอเจอมาแล้วแหมมันแสนจะอัศจรรย์สว่างสวัยแทนที่จะฆ่ามันปล่อยมันให้มันเสื่อหมดไปกลับพยายามไปรักษามันเกิดการนมัสการพระอาจารย์เถอะค่ะ เอามดเสร็จหมดเสร็จทํานไมท่าไม่พูดไม่หมดเสร็จพูดนี่ประธานนะประธานเป็นประกาศอย่างนี้พูดมาอยากจะพูดต้องพูดผ่านไม่พูดใกล้ๆด้วยพูดใกล้ๆด้วยเปอดไม้เปอดไม้ที่ท่านอาจารย์บอกคือต้องผ่านขั้นอนาคามีแล้วถึงจะเจอนางบางเงาปะคะใช่ใช่ใช่ก่อนก่อนหน้านี้จะไม่เจอใช่ไหมคะไม่เจอเจอก็มองก็เป็นรู้ม่ Ừ, เพราะว่ามันจิตเราสติปัญญาเรามืดบอด่ย ừ, เราไม่ได้มองเข้าไปข้างในเรามองแต่ข้างนอกมันอมนองบักเนาะมดเนาะไอ้มองนางบางเงาจริงๆริงขับรถไปหาตามข้างถนนจริงๆเคยไปรึเ่เคยไปหามังว่าแถวพักผง พัทยาก็เยอะแยะนะครับทุกค่ะท er ุกค่ะนำมัสการทุกค่ะพระอาจารย์จริงๆแล้วจะถามกระโสดาบันมื่เกินพระอาจารย์ตอบถึงอรหันไปแล้ววันนี้พวกเรามันก็จอดจ่อโสดาบันกันอยู่7ปีแล้วทุกค่ะ ตอนนี้ข้อสงสัยข้อหนึ่งจริงข้อหนึ่ ง, ข, งข้อสองอย่างศิลพระอย่างพวกศิลโพธิ์เราคงไม่ไปแล้วเดรัจฉานวิชาพวกเราก็ไม่ไปแล้วเรื่องสงสัยกรรมเรื่องสงสัยบาปกรรมเรื่องพวกนี้เราคงไม่มีหรือข้อเดียวที่เกายะตัวตนเนี่ยเจ้าค่ะให้เห็นว่าสักยญาติทิฐิที่ให้เห็นว่าขันห้านี้ไม่ใช่เราเราก็เห็นจริงเราก็เห็นแต่ก็ตอนเนี้มันถึงขั้นทดสอบว่าอาจารย์บอกถ้าเป็นมะเร็งแล้วจะเป็นยังไง แล้วถ้าเกิดว่ามันมีอันอื่นไหมเจ้าค่ะสมมุติว่าเราทําไงเราจะรู้เราบรรลุแล้วอย่างนี้นเจ้าค่ะคือที่เราทําใจไม่ได้เพราะจิตเรายังไม่เป็นอุเบกขาเรายังไม่มีสมาธิเร า, เาถึงต้องฝึกสมาธิก่อนเจ้าค่ะให้จิตรวมเป็นอัปปนาวก่อนให้เข้าสู่ฌานสี่สักตแต่ว่ารู้หรือแต่อุเบกขาแล้วพอเรามีตัวนี้แล้วเวล า, ามีเรื่องปัญหาอะไรเข้ามาเราก็จะดึงจิตเข้ามาตรงจุดนี้ได้คือปล่อยว่าง หมายควมวพระอาจารย์พว่าเราจะต้องได้ชันสีคือต้องฝึกฝึกชันสีให้มันชํานาญสมมติเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนการต้องหาเกลว่างให้เจอครับตอนนี้เราหาเกลว่างไม่เจอหมายว่าที่ซ้อนเหรอครพระอาจารย์สมมติมีอะไรขึ้นมาพึ่มเข้าไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะก็ไม่ไม่ต้องเข้าไปไงเพียงใจให้เฉยมันก็มันก็ไม่วุ่นวายแล้วหมอบอกว่ามาเลงก็มาเลงก็จบไม่ออกมาปรุงแต่ง คือที่ที่ที่ที่หลบภัยพิเกียวว่าเขาเรียกว่าอุเบกขาใช่ไหมเจ้าคะแล้วต้องเป็นชานสีเลยเหรอเจ้าคะอ่ามันจึงจะเป็นอเบกขาคุณไม่อ่านดูแดงซื้อสิชานหนึ่งมันไม่มีอเบกขาชานสองไม่มีชานสาไม่มีต้องชานสีชานที่สี่แล้วมันยากไหมเจ้าคะชานสก็มีพุทโธไปก็มีจิตมีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไปตลอดเวลามันจะถึงโอเบกขาอ เพราะนั้นเองลมหายใจก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะได้ลมหายใจก็ได้เจาการบริกรรมก็ได้เจ้าค่ะหรือเวลาพิจารณาทุกเวทนาและจิตปล่อยเวทนาได้มันก็เข้าฌานจีได้อ๋อเจ้าค่ะถ้าเราได้ตรงนั้นเราถึงจะแน่ใจว่าชัวแน่ใจว่าเราทําใจได้ใช่เวลานั่งพิจารณาทุกเวทน า, จาเจ็บแสนเจ็บยังไงแล้วก็พิจารณาจนกระทั่งจิตปล่อยวางไม่ไปอยากให้ความเจ็บหายไป จิตสักแต่ว่ารู้เฉยๆนั่นก็เป็นฌานสี่พอเป็นที่ต่อต่อไปเวลาร่างกายเจ็บจะตายมันก็รู้ว่าวิธีทําใจทํอย่างไรก็คือรู้สักแต่ว่าเจ็บแต่ว่าไม่ใช่เราเจ็บใช่ไหมเจ้าค่ะอมันจะเฉยๆปล่อยวางเจ้าค่ะกบขอบคุณเจ้าค่ะยิ่งต้องพยายามฝึกสติให้มากเพราะสติจะเป็นตัวที่จะดึงจิตให้เข้าสู่เบกขาได้เจ้าค่ะแปลว่าสติของพยานคือหมายถึงถึงสมาธิใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็ต้องมีสติถึงจะได้สมาธิใช่ค่ะคือต้องเป็นขั้นสมาธิชั้นสี่เจ้าค่ะต้องปีกวิเวกต้องอยู่คนเดียวเจ้าค่ะถึงจะรักษาสติได้อย่างต่อเนื่องเจ้าค่ะถ้าไปอยู่กับคนอื่นทาภารกิจต่างๆเดี๋ยวก็เผลอเจ้าค่ะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เจ้าค่ะก็ลืมลืมลืมตั้งสติจิตก็ไหลไปตามอารมณ์ไปตามเหตุการณ์เวลามานั่งสมาธิมันก็ไไม่นิ่ง เพราะมันยังอดทิยะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้สเสียเวลา ต, ต, ต้องไปติดไมเว้ต้องไปบวชเนี่เปลี่ยนฟ้องวิธีขึ้นทางดวดนไงพระอาจารย์เท่คะคือก็สืมเนื่องจากที่อธิบายเรื่องเรื่องจิตอะค่ะเวลามันอยู่ในสภาวะที่เจ็บปวดและกลัวจนถึงขีดสุดอะค่ะ มันสักแต่ว่ารู้ไม่ไหวอะค่ะที่ที่ผ่านมาแล้วก็พอกําหนดลมหายใจจับที่พุทโธเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมันไปคอนเซนเต็ดที่ความเจ็บปวดอีกหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเราฝึกมาไม่ดีพอสติเราไม่มีกําลังพอที่จะดึงใจให้อยู่กับพุทโธถ้าอยู่กับลาพอเจ็บป่้มันความเจ็บมันจะดึงไปหาความเจ็บพอไปหาความเจ็บมันก็ปุ่มแต่งอยากจะให้มันหายมันก็เลยทุกที่บรรทอนไม่ได้ไม่ใช่ความเจ็บ แต่มันทนไม่ได้เพราะความทุกข์ที่เกิดจากใจเกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปเราจึงต้องดึงใจอย่าไปคิดถึงความเจ็บให้คิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธบริกรรมให้มันเร็วขึ้นให้มันถี่ขึ้นฝากเป็นฝากตายไว้กับพุโทโธฝากกับกรรมบริกรรมเลยถ้าเราพุโทโธหรือบริกรรมอย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดถึงความเจ็บได้เดี๋ยวจิตมันปล่อยเองทีนี้นี่ถ้าเกิดว่าเป็นจิตสุดท้ายอะค่ะถ้าปัจจุบันทันด่วนออกไปอาจจะ ถ้าใช้สมาธิก็อาจจะไม่ทันถ้าเราไม่ฝึกอย่างสม่าเสมอก็อาจจะต้องเป็นพุโทโธไป อ, อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะใช่มันอยู่ที่ว่าพอพอเจ็บขึ้นมานี่เราจะมีสติเราเลอกถึงพุโทโธหรือเปล่าถ้ามีเราก็จะใช้พุโทโธช่วยดับความทุกข์ได้แต่มันเป็นความทุกข์ที่เป็นการดับไม่ไม่ถาวรไม่เหมือนกับการใช้ปัญญาถ้าเราอยากจะดับอย่างถาวรเราต้องใช้ปัญญา พิจารณาให้เห็นว่าความทุกข์ที่แท้จริงเกิดจากความอยากของเราอยากให้ความเจ็บหายไปความเจ็บเองนี่ไม่ใช่เป็นความทุกข์แต่ความอยากให้ความเจ็บนี่หายไปเป็นความทุกข์เราต้องหยุดความอยากหรือปล่อยมันเจ็บไปไม่ต้องกลัวความเจ็บเหมือนกับไม่ต้องกลัวเสือใจดีสู้เสือนั่งมันจะมากัดก็ปล่อยมันกัดไปและร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป ใจเราเฉยเป็นอุเบกขาต่อไปเราก็จะไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องอะไรเพราะใจเราไม่ทุกข์แล้วต่อไปเราจะไม่กลัวความเจ็บขนาดไหนเราก็ไม่กลัวเพราะเรารู้จักวิธีปฏิบัติกับความเจ็บกราขอบคุณค่ะ ครับอาจารย์เจ้าขาแบบเนี้เราต้องฝึกจนชํานาญใช่ไหมเจ้าขาไอเชื่ออยู่บอกว่าจะไปทําให้มันผ่อนพ้นโดยไม่ฝึกนี่คงเป็นการไม่ได้ ก, กีฬาเขาต้องซ้อมจนชํานาญนักมวยก่อนที่เขาจะขึ้นเวทีเขาต้อ ง, งอชํานาญแล้วเขาถึงค่อยขึ้นไปไม่ใช่ขึ้นไปแล้วค่อยมาคิดว่าจะทํำยังไงดีขณะที่คิดก็โดนก๊อบโดนน็อกเจ้าขาในวัฒนธรรครับถ้าเราสมมติชาตินี้ฝึกได้จนชํานาญแต่ยังไม่ได้มักได้ผลเนี่ยตอนจิตสุดท้ายเนี่ย ควรจะเป็นกุศลหรือควรจะเข้าชาญดีครับปันจะมันจะเป็นอัตโนมัติของมันเนี่ยโดยสัญชาตญาณของจิตมันจะมันจะทําในสิ่งที่มันทําได้ดีที่สุดมันทําได้อะไรเท่าไหร่มันก็จะทําอย่างนั้นถ้ามันทําพุทโธได้มันก็จะทําพุทโธอแล้วถ้าสมมติไปสมมุติว่าเข้าชาญไปเป็นพรมจะเสียเวลาหรือเปล่าเสียก็ทําไงล่ะมันก็เราก็ทําได้แค่นั้นอ่ะโอเคขอบคุณครับ มาถึงให้รีบทำที่ตอนนี้ไงอย่าไปเสียเวลาไปตีกอล์ฟไปเที่ยวไปดูห <c oughs> น, น, นังไม่ว่าเป็นเสียเวลาเวลาไปติดสวรรค์ชั้นฟอมหาว่าเสียเวลาก็รีบรีบมาภาวนาสิรีบมาปฏิบัติอาจารย์เจ้าคะแ้ะที่พระอาจารย์บอกว่าจิตสุดท้ายถ้ากำหนดไม่อยากทุกข์ไม่อยากเจ็บได้ ในจิตสุดท้ายคือเหมือนกับสภาวะเฉยๆนี่จิตจะไปไหนคะอ่อก็เป็นพานิพานก็ได้เรืยอแล้วแต่แล้วแต่ระดับจิตว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าระดับโซดามันก็จะอยู่ของระดับโซดาอ่าขั้นนั้นก็ขั้นไห น, น, น, นก็ขั้นนั้นไปอ้าว อ, อ, อยากจะถาม่าอยากจะถามก็เอาไมมา่ อ่าหมดแล้วอ้าทางบ้านบ้างตอนนี้อ้าวทางบ้านก่อนเดี๋ยวเดียใครคิดถึงคําถามได้ก็าถามหน่อยโทษนครับขอโทษดครับอาจารย์ครับก่อนทางบ้านขอของผมก่อนครับ <laughs> คือช่วงก่อนเนี้ยครับเรื่องฝีนหน้าครับที่พระอาจารย์แก้ให้ว่าผมติดข้ออ่ามุสามาตลอดซึ่งเข้าใจว่าเป็นข้อเพอเจร์ครับพระอาจารย์แบอบกว่าถ้าในระดับเบื้องต้นเนี่ย ถ้าไม่ได้โกหกเนี่ยถือว่าไม่ผิดศีลดังนั้นก็เลยศีลเคลียรแต่พอศีลฮะศีลข้อนั้นเคลีย์เนี่ยเป็นข้ออื่นเข้าแทรกแทนเลยครับอาจารย์เพราะอะไรครับอาจารย์ก็เพราะว่ามันพอปิดประตูนี้มันก็หาประตูอออแล้วมันก็มาแรงด้วยครับอาจารย์ก็เลยแบบอ่าต่อไปเป็นคําถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติอพิชาโตและ กลุ่มธรรมะบนเขานะครับคําถามแรกขอของพระก่อนนะครับการบอกปฏิเสธของที่โยมประเคนผิดไหมเพราะผมกับโยมว่าผมพึ่งฉันไบตามิวมาแล้วท้องเสียของบางอย่างบอกได้เช่นโยมจะถวายเงินนี่บอกได้ว่าอย่าถวายแต่ถ้าเป็นของปกติที่ถวายให้กับพระบริโภคได้ไม่ควรจะไปปฏิเสธอ เช่นเวลาบินนาบาัดเขาใส่ข้าวมันไก่มาบอกอย่าใส่อยากจะกินข้าวหมูแดง <laughs> ถ้าอย่างนี้ผิดแต่ถ้าใส่ในสิ่งของต้องห้ามนี่บอกได้ใส่สุรายาเมาใส่เงินใส่ทองมานี่บอกได้ว่าโยมอันนี้ไม่ควรที่จะถวายพระคำถามข้อต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับ เวลาไปภาวนาที่วัดป่าเกือบทุกครั้งครูบาอาจารย์ท่านจะให้ผมปฏิบัติแบบไม่นอนทั้งคืนโดยนั่งสมาธิสลับเดินจงกรมซึ่งปกติก็จะทำได้เสมออาจมีง่วงบ้างแต่ก็สามารถภาวนาอยู่ได้ถึงเช้าโดยไม่หลับและจิตก็สงบดีในเวลากลางวันของวันถัดมาก็สดชื่นแจ่มใสไม่ค่อยอ่อนเพลียเพราะการอดนอนมากเท่าใดนักแต่เคยทาครั้งละคืนเดียวเท่านั้น เมื่อเดือนที่ผ่านมาได้ไปภาวนาที่วัดป่า5คืนโดยอธิษฐานไม่นอน3คืนต่อเนื่องกันแต่นอนกลางวันประมาณ2ชั่วโมงคืนแรกจิตสงบดีแทบจะไม่มีอาการง่วงแต่อีก2คืนจิตไม่สงบเพราะต้องต่อสู้กับความง่วงจะตลอดคืนถึงแม้จะผ่านมาได้โดยไม่หลับแต่รู้สึกว่าภาวนาไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยเพราะจิตไม่สงบ นึกถึงที่เคยฟังหลวงตามหาบุรุษว่าถ้าภาวนาแบบไม่นอนทั้งคืนแล้วจิตไม่สงบแบบนี้ไม่เรียกว่าการทำความเพียรเพราะการอดนอนทั้งคืนใครๆก็ทำได้ไม่ยากอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าผมควรปรับแนวทางการภาวนาแบบไม่นอนทั้งคืนอย่างไรดีควรทำแค่ครั้งละคืนเดียวก็พอหรือหากมีโอกาสก็ควรทามากกว่านั้นแต่ต้องฝืนและฝึกไปเรื่อย คืออุบายของการบำเพ็ญเทียนนี่มันก็มีหลายหลายแบบหลายรูปแล้วแต่จลิตนิสัยบางท่านก็ถูกกับการอดนอนบางท่านก็ถูกกับการอดอาหารบางท่านก็ถูกกับการไปอยู่ตามป่าช้าอันนี้ต้องดูจลิตของตนว่าอันไหนถูกกับจลิตทำแล้วได้ผลดี แล้วทำแล้วต้องทำมากน้อยเพียงไรอันนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องปรับให้มันเข้ากับจริตของตนกับความสามารถของตนอย่างที่ท่านพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าตึงไปมันก็ไม่ดีย่อนไปมันก็ไม่ดีมันต้องมัชชิมาท่านเปรียบเทียบถึงการขึงสายผินถ้าตึงตึงไปมันก็ขาดถ้าหย่อนไปมันก็ดิดไม่ได้เรื่องมันต้องพอดีพอดี ดังนั้นความเพียรของเรานี้ต้องพอดีกับสมรรถภาพของเราในขณะนั้นว่าเราสามารถทำความเพียรได้ในระดับไหนถ้าทํามากกว่านั้นมันก็ทําไม่ได้แทนที่จะได้ผลมันก็จะไม่ได้ผลแต่ถ้าไม่ทําเลยก็จะไม่ได้ผลเหมือนกันดังนั้นเราต้องทดลองมาตรการต่างๆที่ครูบาอาจารย์ต่างๆ ท, ท่านได้ใช้กันมา ถ้าเราไปพบกับครูบาอาจารย์ที่ท่านถนัดในการอดนอนท่านก็จะใช้มาตรการอดนอนสอนเราถ้าเราไปพบกับครูบาอาจารย์ที่ถนัดกับการอดข้าวอดอาหารท่านก็จะใช้มาตรการแบบนี้มาสอนเราที่เราก็ต้องดูว่าเราสามารถทำตามที่ท่านสอนได้หรือไม่ถ้าเราทำไม่ได้อาจจะเป็นเพราะไม่ถูกเจริญก็ได้หรือว่าเราเป็นซีไม่แ ก, ก่กล้าพอ หรือความเพียรความกล้าหาญมีไม่มากพออันนี้เราก็ต้องดูตัวเราเองแล้วก็ต้องพิจารณาเองว่าอันไหนควรจะมาจะมากจะน้อยอย่างไรยังเรื่องหลับนอนอดนอนที่เราไม่เคยอดเราเลยไม่รู้ว่าจะแนะนำอย่างไรดีคำถามข้อต่อไปจากคุณยาวรักษ์นะครับถามว่าการเจริญสติอยู่ทุกอิริยาบถ และการดูสภาวะจิตของตนทุกลมหายใจเข้าออกถูกต้องไหมและได้ยินได้ฟังอะไรจิตน้อมเข้ามาดูที่ใจทุกเรื่องถูกต้องไหมแล้วอีกอย่างชอบพิจารณาความตายและชอบดูกระดูกมากค่ะก็ถูกทุกทุกวิธีเนี่ยเพียงแต่ว่าควรจะเลือกทาวิธีใดวิธีหนึ่งให้มันเป็ น, เ ป, นเป็นกรอบเป็นกรมถ้าเราจะเจริญสติก็ควรจ ะ, จะเจริญสติเป็นหลักแล้วอย่าไปสนใจกับเรื่องราวต่าง แม้แต่เรื่องพิจารณาทางปัญญาก็อย่าเพิ่งไปใช้มันเพราะสิ่งที่เรากำลังทำตอนนี้ก็คือต้องการหยุดความคิดปรุงแต่งถ้าเราไปใช้ไปในทางปัญญาจิตมันก็ต้องต้องคิดปรุงแต่งเมื่อมันคิดปรุงแต่งที่มันก็อาจจะไม่ทำให้ใจเราเข้าสู่ความสงบได้อาจจะได้ความรู้ทางปัญญาในระดับกินตาเมายะาปัญญาแต่มันจะไม่พอที่จะ ทำลายกิเลสตัณหาได้กิเลสตัณหาจะตายได้นี้ต้องได้ปัญญาระดับภาวนามย์ปัญญาระดับภาวนามย์ปัญญาก็ต้องมีภาวนาสมถะภาวนาคือสติสมาธิเป็นผู้สนับสนุนดังนั้นถ้าเรายังไม่มีสติไม่มีสมาธิเราควรที่จะเอาแต่เริ่มสติกับสมาธิอย่างเดียวก่อนทําเป็นเรื่องๆไป อันนี้สติไม่มีฝึกสติให้ได้สติก่อนพอได้สตินั่งสมาธิกิจก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาได้พอมีสติมีสมาธิมีอุเบกขาแล้วทีนี้ก็ไปทางปัญญาได้พิจารณาตายลักแล้วก็ปล่อยวางกิเลสตัณหาได้ดับความทุกข์ได้มันต้องเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกับการวิ่งกับการเดินนี้ก่อนที่จะวิ่งได้ก็ต้องเดินให้ได้ก่อน ก่อนจะเดินได้ก็ต้องยืนให้ได้ก่อนชั้นใดการปฏิบัติก่อนที่จะไปสู่ขั้นปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนก่อนจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อนก่อนจะมีสติได้ก็ต้องปรีกวิเวก่อนคําถามข้อต่อไปจะคุณเบิร์ตนะครับ ข้อที่หนึ่งภาวนาไปสักพักแล้วลมหายใจเหลือน้อยลงมีลักษณะแผ่วเบามากๆและร่างกายก็รู้สึกเบาสบายตอนนั้นควรปล่อยลมหายใจเลยหรือไม่และถ้าไม่มีลมหายใจแล้วให้ผู้รู้นั้นควรกำหนดอยู่ที่ไหนไม่ควรที่จะปล่อยลมหายใจถ้ายังดูลมหายใจได้ก็ดูไปจนกว่าจิตจะวุบเข้าไปในความสงบและลมหายใจหายไป แล้วเหลือแต่ผู้รู้สักแต่ว่ารู้ก็ให้อยู่กับสักแต่ว่ารู้ไปถ้ายังไม่รวมแล้วลมละเอียดไม่สามารถจับลมได้ก็ให้รู้อยู่กับผู้รู้ไปผู้ที่รู้ลมก็ให้อยู่กับผู้รู้ไปอย่าให้จิตไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้รู้เฉยๆแล้วเดี๋ยวจิตมันก็จะเข้าไปสู่ความสงบเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เองแล้วตอนนั้นก็ไม่ต้องทําอะไร พอมันสงบแล้วก็ปล่อยให้มันสงบไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะเป็นการาเป็นการเขาเรียกอะไรสร้างพลังของอุเบกขาไว้ให้มีพลังมากเวลาออกจากสมาธิมาอุเบกขาจะได้ไม่จางไปเร็วเวไม่จางหายไปเร็วพอเรามีอุเบกขาเราก็จะสามารถใช้อุเบกขามาพิจารณาทางปัญญาได้แล้วก็ปล่อยตัดกิเลส ต, ตัณหาได้ ดัง น, นเวลาจิตรวมเข้าสู่ความสงบแล้วอย่าเพิ่งไปเพจจาณาให้นิ่งอยู่ในนั้นสักแต่ว่ารู้ไปนานๆจ น, นกว่าจิตจะถอนออกมาเองพอจิตถอนออกมาเริ่มมีความคิดตรงแต่งเอาความคิดตรงแต่งนั้นมาคิดทางปัญญาทันทีอย่าปล่อยให้คิดไปในทางโลกทางกิเลสตัณหาคิดทางไตรลักเพื่อที่จะละกิเลสตัณหาถ้าเห็นไตาลักษแล้วตัณหามันจะหด เ้าเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นทุกข์มีใครอยากจะได้บ้างแต่ละมักจะเห็นผิดเป็นชอบกันเห็นทุกข์เป็นสุขกันก็เลยเกิดตัณหาความอยากขึ้นมากันจึงต้องเอาสัมมาทิฏฐิคือตายักมาแก้มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบแล้วเราก็จะได้ละตัณหาได้พอละตัณหาได้จิตก็จะกลับเป็นสู่กลับเป็นกลับเป็นอุเบกขาต่อไป ข้อที่สองนะครับถ้าเราคิดไม่ดีต่อพระราาัตนตยจะแก้อย่างไงดีแต่ก่อนก็ไม่เคยคิดอย่างนี้ทำไมจึงเป็นแบบนี้ไม่เข้าใจตัวเองเลยกุ้มใจมากๆไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าเป็นกันทุกคนหรือเปล่าครับพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยเพราะเราไม่รู้จักพระรัตนตยที่แท้จริงเราจึงควรศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาพุทธประวัติศึกษาพระอรหันตสากประวัติของท่าน ศึกษาถึงความวิเศษวิศสของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราศึกษาเราเห็นความดีของท่านแล้วเราก็จะไม่คิดไม่ดีที่เราคิดไม่ดีตอนนี้เพราะเราไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องบางคนก็ว่าพระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวนี้ว่านี่เป็นนิสัยของกิเลสตัณหามักจะยกตนข่มท่าน ชอบเห็นคนอื่นเดวกับตัวเองตัวเองนี่วิเศษอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่มีแต่อุจจาระอย่างที่หลวงตาพูดมีแต่ขี้แต่ชอบไปว่าคนอื่นเร็วคคําถามเยอะๆมากครับที่จ้องจับผิดพวอื่นนะครับรอาจารย์ข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับส่วนข้อที่เหลืออีกเยอะนะครับก็จะขอยกไปครั้งหน้านะครับข้อที่สามนะครับเคยฝันเห็นเพื่อนร่วม ง, งานที่ตายไปแล้วเขาฆ่าตัวตาย ฝันว่าเขามาดึงเบาะนั่งสมาธิที่ใช้อยู่ที่บ้านมีลักษณะเหมือนจะแย่งเบาะนั่งสมาธิไปจากเราเขาไม่พูดอะไรเลยและมองหน้าเราเฉยๆผมอุทานในฝันว่าเอ็งตายไปแล้วนี่จากนั้นก็ตื่นจากฝันอยากจะทราบว่าคนที่ตายคนที่ฆ่าตัวตายบาปมากไหมครับแล้วเขาต้องได้บุญจากการที่เราต้องภาวนาเท่านั้นใช่ไหมไม่ใช่หรอกคือ คนที่ตายไปแล้วคนที่ฆ่าตัวตายมันก็เป็นกรรมหนักอันหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องไปตกนรกนะฮเพราะความเครียดแค้นหรือความทุกข์ทรมานใจเป็นไฟนรก เ, เราผาผลาญจิตใจของตนเองแล้วก็จะติดเป็นนิสนัยไปต่อไปเวลามาเกิดเป็นมนุษย์มาเจอปัญหาแบบเดิมก็จะแก้ปัญหาแบบเดิม ก็จะติดอยู่ในวงจรอุบาทนี้ไปไม่มีวันจบสิ้นเพราะไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องวิธีแก้ปัญหาคือเวลาเจอความทุกข์ก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ธรรมะเข้ามาแก้แล้วก็จะผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้ถ้าไม่ใชถ้าไม่ใช้ธรรมะใช้วิธีฆ่าตัวตายพอคราวหน้ากลับมาเกิดเจอปัญหาแบบนี้ ก, ก็จะฆ่าตัวตายมันก็จะติดพันเป็นนิสัยไป นี่คือเรื่องของส่วนเรื่องที่ว่าจะต้องอุทิศด้วยบุญที่เกิดจากสมาธินี้ไม่ใช่เพราะบุญที่เกิดจากสมาธินี้อุทิศให้ใครไม่ได้ของใครของมันอุทิศได้แต่บุญที่เกิดจากการทาทานและผู้ที่จะรับบุญนี้ได้ก็ต้องเป็นเปรตเป็นขอทานทางจิตวิญญาณเป็นผู้ที่มีความหิวโหวยเพราะว่าขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่เคยทำบุญไม่เคยทาทานจึงไม่มีบุญติดตัวไป พอไปเป็นดวงวิญญาณก็เลยไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจไม่มีบุญหล่อเลี้ยงจิตใจก็เลยต้องมาคอยรับบุญอุทิศจากผู้อื่นการอุทิศบุญนี้อุทิศได้เพียงแทานศีลสมาธิปัญญานี้่อุทิศให้ไม่ได้ของใครของมันต้องสร้างขึ้นมาเองหมายความว่าการที่โยมทั้งหลายมาธรรมะบนเขานี่อุทิศบุญได้เพียง อ่าสิ่งของที่ถวายพระอาจารย์ใช่ไหมครับใช่บุญที่เกิดจากการถวายสิ่งของต่างๆเป็นความอิ่มเอิบใจความสุขใจที่ได้เสียสละเงินทองเข้าของไปเราเอาความอิ่มใจนี้แบ่งให้ให้ให้ใหกับผู้ที่ไม่มีความอิ่มใจได้ทําให้เขามีความอิ่มใจชั่วคราวเหมือนกับเราให้เงินขอทานไปซื้ออาหารรับประทานมื้อหนึ่งถ้าเราถ้าเราอยากจะให้เขากินทุกมื้อเราก็ต้องทําทุกวัน สาบาตรทุกวันใส่บาตรส่ยก้าวอุทิศไปให้กับเขาจนกว่าเขาจะหมดสภาพจากการเป็นขอทานเขาก็จะไปสู่ภพอื่นต่อไปอยังมีอขอไมายหน่อยขอหมายหน่อยคําถามสุดท้ายท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เจ้ า, า่าขอเรียนถามท่านอาจารย์เจ้าข้าว่าเวลานั่งสมาธินะคะมีเอวิตกวิจารปิติสุข เอกขต า, าเมื่อเอกขต า, าแล้วเนี่ยจะไม่เจ็บปวดจะไม่เมื่อยไม่มีอะไรมีความรู้สึกเป็นหนึ่งแล้วมันก็จิตมันก็ตั้งมั่นนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าจะเจ็บจะปวดอย่างเงี้ยเบบนี้ เ, เป็นอุเบกขาด้วยใช่ไหมจ้ า, าค่ ะ, ะ <ขา S 2> แล้วก็ววคือ <ๆ S 2> ปล่อยวางความเจ็บปวดได้แล้วเนี่ยก็คือใช้ใช้อุเบกขาเนี่ย หนีไปได้เหมือนกันช่ครก็เป็นหนีเฉพาะเวลาที่เราที่อยู่ในสมาธิถ้าเราไม่มีอุเบกขามันก็ออกมาก็จะเจ็บอ่ามันก็จะเจ็บถ้ามีปัญญามันก็จะไม่จะไม่เจ็บไม่ไม่ทุกข์มันยังเจ็บอยู่แต่มันจะไม่ทุกข์คือมันรู้จักวิธีวาตัางใจไม่ให้ไปอยากกับอยากให้ความเจ็บหายไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแต่ใจเราไม่ทุกข์กว่มันเพราะนั่นเป็นปัญญาเจังค่ะก็คือจังค่ะ เอาล่ะนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพิ่อความเจริญก้าวหน้าในทมยิ่งขึ้นไปเทอ การเทพนะครับอธิบายแบบฟังแล้วก็ใจง่ายเลยนนึกภาพพระนิพพานออกเลยแบบไม่รู้ทั้งหมดอย่นันะคะ <S <S <an> <S รับแต่ว่าแต่ว่าเหมือนพระอาจารย์บอกว่าเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเราอยู่เงี้ยแต่เป็นมนุษย์ล่องผนึกเฟังแล้วบบโอ้โหนภาพตามรู้แล้วอ๋อเป็นงั้นแบบแค่ไม่มีร่างให้จิตเกาะแค่นั้นเองตอนนี้เรามีร่างเราก็ไ้เลามาทุกกับร่างกายฮะทั้งที่เราไม่ต้องมีร่างแล้วก็อยู่ได้แต่เราไม่ไดกันเพราะกลามหลวงเขาให้เรา ต้องไปมีนั่งมีนี่ถึงจะมีความสุขแต่ไม่รู้ว่าทวามจริงแล้วไม่มีอะไรในความสุขอย่างนี้ตอนนี้กลองังพลังลังสูงอย่างไม่มีอะไรพอมีแล้วมันกระทุกแตาทุกอย่างมันไม่เชี่ยงก็จะก็จะมีอารมูปอยู่ใช่ไหมคะารมูปอยู่ก็มีรูปก็หมายความรูปที่มองด้วยตาไม่ได้อันนี้จิตจะมีรูปอยู่แต่เป็นกายจะนั่งคิด <ต>เราไม่สามารถนอนเห็นด้วยตาเปล่าเหมือนกับกระแสเคลื่อนวิทยุทราจําตอนนี้มันมีอยู่แต่เรามองไม่เห็นแต่ว่ามันไม่มีก็ไม่ได้มัน ม, แ ม, ม, นมีแต่เรามองไม่เห็นจิตเราก็มีแต่เรามองไม่เห็นจิตแต่ถ้าเราภาวนาแล้วเราจะเห็นล้จิตรวมเป็นรูปแบกขาแล้วทุกร่างกายมันหายไปรูปเสียงจิตวิถหายไปมันก็จะเหลือแต่ตัวนี้หมือจอทีวีเนี้ถ้าเราเปิดทีวีเราจะไม่เห็นตัวจอ เป็นแต่ภาพบนจอพอเราปิดปิดปิดทีวีแล้วภาพในจอหายไปก็เหลือแต่ตัวเจาให้เราเราต้องปิดรูปเสียงกลิ่นรถพระปิดษุวารทั้งห้าเราปิดก็จะได้เห็นตัวของตัวเองแล้วตัวเองก็คือตัวนี้ไม่ใช่ตัวร่างกายแล้วมันก็จะมีกําลังที่จะปล่อยวางกั การปฏิบัติที่พระอาจารย์แนะนําให้ปฏิบัติคือนั่งทั้งวันพระอาจารยปฏิบัติมาแล้วใช่ไหมโอ้โหอาจารย์ดีใช่นั่งแบบสบายนั่งแบบสบายจะไม่ได้นั่งขัดสมาให้นั่งเก้าอี้โซฟาอะไรที่แบบที่ น, น, นิ่มสบายแล้วก็บังคับให้มานั่งอยู่ตรงนั้นมาให้ไปทําอะไรไมาให้ไปดูไปฟังไปเดินไปรับประทานเพรยกเว้นน้ําเปล่าและถ้าจะไปก็ให้ไปเข้าห้องน้ําได้ เขานั่งเสร็จก็กลับมาหน้าหรือถ้านั่งนานๆมันเมื่อยก็ยืนให้มันสู้กับความอยากโดยที่ไม่ต้องมาใช้ให้แค้เกือบความเจ็บทางล่างกายอันนี้เราต้องการหยุดความอยากไปนู่น ม, มานี่อยากนั่นนี่อยากานั่นนอยู่ไม่เป็นสุขเป็นการสร้างความอยากในระดับต่ำมันไม่รงเหมือนกับเวลานั่งขับสมัครอันนี้ความอยากมันจะแรงกว่าเวลาเจ็บนีความอยากมันจะแรงมาก แต่เวลาร่างกายสบายสบายก็ยังมีความอยากนั่งางเดี๋ยวก็ทนไมนั่งเวลาอยากจะเดินไปตรงโ้นอยากจะมาทำนี่ก็ห้ามหลด้วยนะไม่ได้นอนนั่นยั่นเลยั่งเล่นตามนอนก็เป็นความอยากอย่างนี้ารเดินจงกรมก็ไม่ได้ใช่ไหมเราต้องนั่งอย่างเดียวก็นี่ถ้าถ้าเป็นเรื่องนี้่ยให้ให้อยู่จุดเดียวถ้าจะเปลี่ยนให้ยืนลุกขึ้นมายืนได้ ถ้ามันนั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนยืนแล้วหายเมื่อยก็กลับไปนั่งใหม่ทำ mm hmm. มันหลายชั่วโมงเลยห้าหกชั่วโมงเจ็ดปดชั่วโมง mm hmm. เอาตั้งแต่เช้าเลยพอติมพอกินข้าวเสร็จแล้วก็ไม่ต้องกินอะไรแล้วก็รอให้มันถึงเย็นถ้ายังไม่เมือม่อยยังไม่ต้องเปิดไฟก็ยังไม่ลุกยังไม่เลิกเราให้ดูสู้กับความอยากที่ไปนีไปโน่นไปนี่ไปทําน่นทานี่ mm hmm. ไปดูใครฟังใ mm hmm. ครดืม่มใครอะไมันจะออกมาให้เราเห็น เราก็ต้องใช้สติบ้างใช้สมาธิบ้างใช้ปัญญาบ้างสู้กัมันคือใช้แต่ของที่มีอยู่ในตัวเราตอนนั้นแม้่ตัหนังสือธรรมะก็ไม่ให้เปิดเลยเทศเจ้าไม่ให้ฟังคืออัตตาเหตัณโนนาโถจริงๆเพราะนั้นจะเป็นความจําที่มันเป็นการเอาของของภายนอกมาช่วยอย่างตอนนี้เราเหมือนเราจะเข้าทดสอบพลังในภายในของเราว่าเราสู้กับความอย่างตัวนี้ได้หรือเปล่าไอ้ตัวที่อยู่ไม่เป็นสุขเนี่ย เทานั้นเองยังไม่ได้ไม่ได้แก้ปัญหาอย่างอื่นอันนี้เป็นเบื้องต้นยังไม่ได้มาแก้ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนั้นอีกขั้นขั้นแรกนี่ไออตัวท่านที่อยู่ไม่เป็นสุขไม่ได้ครั่ะทําได้แล้วมันต่อไปมันก็จะไม่อยากไปไหนมันก็ยัมนก็จะไปปีกิเวกได้ถ้ามันถ้าทํานี้ไม่ได้มันไปปีกิเวกไม่ได้เพราะไปฤเวกมันก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่คนเดียวในป่าเดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้ แต่ถ้ามันนั่งเฉยๆอยู่ที่เก้าอี้ได้ต่อไปมันก็ทําได้ที่ทํานี้เพราะเราไม่มีที่ไปเราไม่มีไม่มีที่ไปปิดี่เวกแล้วก็ปิดวิเวกมันในห้องเราคนเดียวยขังตัวเราอยู่ในห้องนั่งอยู่ในที่เดียวดัตการะการการะฉันทะในตัวที่อยากดูอยากฟังอยากเสพกับลูกเสียงกลิ่นรสถ้าชนะตัวนี้แล้วภาวนาก็จะง่ายเรื่องที่เขาเรียกนิวรมันจะไม่ใช่ ถ้าถ้าปเปลี่ยนรูปเรกแล้วไม่ต้องทำอย่างนี้นใช่ไหมครับใช่ก็ภาวนาอย่างเดียวถ้ายังจ ะ, จะขึ้นมาฟังธรรมนี่ก็ไม่ควรถ้าอยากจะปลี่ยนรูปเรอย่างต่อเ น, นื่องแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆอยากจะฟังก็พอโนุนลมได้แต่มันก็เป็นช่องของตันหาได้เหมือนกันอึดอัด <c oughs> อยู่ในห้องกนได้เอามาฟัง <c oughs> นอกหนอยก็ยังดีจริงจริงจถ้าตอนนั้นอยากจะฟังก็อ่านหนังสือธรรมะไปดีกว่ายังอยู่ในห้อง ยังไม่ต้องออกมาหรือฟังฟังซีดีไปก็ยังดีกว่าแต่ถ้ามานี่มันนั่งรถมาเดียวมันก็เห็นนู่น <c oughs> เห็นนี่มันก็มีมีท ม, ม, มีช่องออกให้กับทิ <c oughs> เร็ดมาแล้วนะม <c oughs> าแล้วนะ <c oughs>